วันนี้ก็เป็นวันที่ญาติโยมให้ความสำคัญเพราะเป็นวันพระวันประเสรศิฐคาว่าพระแปลว่าประเสรศิฐหรือผู้ประเสรศิฐคำว่าวันพระก็คือวันประเสรศิฐวันที่จะทำให้จิตใจเราประเสรศิฐทาให้จิตใจเราจเจริญ ให้จิตใจเรามีความสุขความสุขทางจิตใจนี่สำคัญกว่าความสุขทางร่างกายความสุขทางร่างกายเป็นความสุขชั่วคราวและเป็นความสุขที่เล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับความสุขทางใจความสุขทางใจนี่ให้ความอิ่มให้ความพอ ส่นความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายให้ความหิวความอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาแล้วก็ทำให้อยากได้มากขึ้นอยากได้สัมผัสอยากอยากมีอีกแต่ความสุขทางใจเมื่อได้แล้วจะไม่อยากได้อะไรได้ความอิ่มได้ความพอ ถ้าเราทำไปเรื่อยๆความอิ่มความพอนี้ก็จะเต็มหัวใจก็จะไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับเรานอกจากความสุขใจความสุขใจนี้ก็มีสามทางเกิดขึ้นได้สามทางทางที่หนึ่งเรียกว่าทานทางที่สองเรียกว่าศีลทางที่สามเรียกว่าภาวนา แต่ละทางก็มีความสุขมากน้อยต่างกันความสุขที่มาจากการทําทานจะน้อยกว่าความสุขที่ได้มาจากการรักษาศีลความสุขที่ได้จากการรักษาศีลก็จะน้อยกว่าความสุขที่ได้จากการภาวนาแต่ความยากง่ายก็มีมากน้อยต่างกันเหมือนกัน การทำทา น, นง่ายกว่าการรักษาศีลการรักษาศีล ง, ง่ายกว่าการภาวนาดัางนั้นก่อนที่เราจะภาวนาได้เราต้องรักษาศีลให้ได้ก่อนเพราะมันง่ายกว่าแล้วก่อนที่เราจะรักษาศีลได้เราก็ต้องทำทานให้ได้ก่อนเพราะว่ามันง่ายกว่าการรักษาศีลการทำทานมีเงินน้อยบาทก็ทำได้แล้ว เอาเงินร้อยบาทไปทำบุญเราก็ได้ความสุขใจแล้วแต่การรักษาสีนี้มันยากเวลาที่ <c oughs> เราอยากจะทำอะไรบางทีเราก็จะไปทำบาปเพื่อให้ได้สิ่งที่เราอยากได้มาพออยากแล้วมันก็ห้ามใจไม่อยู่อยาก เวลาเกิดความอยากแล้วก็มักจะสู้ความอยากไม่ไหวเช่นควรอยากจะดื่มสุรายาเมาพอเกิดความอยากขึ้นมาแล้วก็ทนไม่ไหวรักษาศีลไม่ได้รักษาศีลข้อห้ามไม่ได้เพราะมีความอยากความอยากก็เกิดจากความติดนี่เองแล้วติดมัน พอเราติดอะไรแล้วเราก็อยากได้มันอยู่เรื่อยๆเวลาไม่ได้ก็หงุดหงิดลาคาญใจทุกข์ใจไม่สบายใจพอได้มาก็หายหงุดหงิดหายลาคาญใจชั่วคราวจนกว่าความอยากที่จะดื่มสุราครั้งใหม่เกิดขึ้นมาต่อให้ดื่มกี่ครั้งมันก็ไม่หายอยากหายชั่วคราว หายเดียวๆหายตอนที่ได้ดื่มหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดความอยากขึ้นมาอีกนี่คือการกระทาที่เรามักจะทำกันจนติดนิสัยพอติดแล้วมันก็เลิกยากเคยพูดโกหกนี้มันก็เลิกยากเคยประพฤติผิดประเวณีเคยรักทรัพย์เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิต พอจะเลิกมันก็เลิกยาก <c oughs> มันไม่ง่ายเหมือนกับการทำบุญทำทานทำบุญทำทานนี่พอมีเงินเราก็ทำได้แต่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันเพราะคนที่มีเงินที่ไม่อยากจะทำบุญทำทานก็มีอยู่คนที่หวงเงินหรือคนที่อยากจะใช้เงินไปในทาง ความอยากก็จะไม่อยากจะทำบุญเช่นมีร้อยบาทก็ไปซื้อสุรามาดื่มดีกว่าดีกว่ามาทำบุญถ้าเขาอยากดื่มสุราเงินที่จะมาทำบุญก็จะไม่ได้ทำเพราะเขาอยากดื่มสุราหรือคนที่อยากจะซื้อของต่างๆที่ไม่จาเป็นคือของที่ มาเสพทางตาหูจมูกเล่นกายเช่นไปดูภาพยนตร์เอาเงินร้อยบาทไปดูภาพยนตร์ก็ได้ความสุขขณะที่ได้ดูภาพยนตร์พอออกจากโรงมาแล้วความสุขนั้นก็หายไปแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากจะดูใหม่หรืออยากจะไปทำอย่างอื่นใหม่พออยากดูแล้วได้ดูแล้วเดี๋ยวออกจากโรงภาพยนตร์ก็อยากจะเดิมอยากจะรับประทานขนม เราต้องไปซื้อขนมซื้อเครื่องเดิมมาดืม่มดิ่มเสร็จแล้วเดี๋ยวก็อยากจะไปเที่ยวที่นั่นต่อความอยากทางตาหูจมูกเลงนกายนี้มันจะตามมาเป็นขบวนถ้าเราปล่อยให้ไปกับความอยากเราจะไม่อยากจะมาทำบุญเพราะเงินที่เราจะมาทำบุญจะไม่พอ ถ้าเราเอาไปใช้การซื้อความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายการใช้เงินนี้ก็ซื้อความสุขได้สองรูปแบบความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายกับการทำบุญทําทานเรียกว่าความสุขทางใจผลจะมีความแตกต่างกันผลจากการทำบุญทําทานนี้จะ ทำให้เกิดความอิ่มใจเกิดความสุขใจจะทำให้ความอยากที่จะไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เบาลงไปถ้าทุกครั้งที่เราอยากจะเอาเงินไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาทำบุญทำทานต่อไปความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้จะไม่มีกำลังที่จะมา บังคับให้เราต้องไปหาเงินเพื่อที่จะมาซื้อความสุขเหล่านั้นเพราะว่าเราได้ความสุขจากการทำบุญทําให้เรามีความอิ่มใจสุขใจพอไม่มีเงินเที่ยวเราก็ไม่เดือดร้อนไม่มีเงินทำบุญเราก็ไม่เดือดร้อนนี่อา น, นิสงส์จากการเอาเงินมาทำบุญ ทำบุญแล้วเวลาไม่มีเงินจะทําบุญเราจะเฉยๆไม่ไม่กังวลกังวายไม่หงุดหงิดไม่ลาคาญใจไม่มีทําก็ไม่ทำแต่ถ้าเอาเงินไปซื้อสิ่งต่างๆทางตาหูจมูกเลี้ยกายพอเงินหมดแล้วความอยากซื้อมันยังมีอยู่อยู่เฉยๆไม่ได้ไม่มีเงินซื้อก็หงุดหงิดลาคาญทําให้คนต้องไปทําบาปกัน ทำบาปเพราะว่าเงินไม่พอใช้ต้องไปหาเงินโดยวิธีที่ง่ายและเร็วซึ่งมักจะต้องทำบาปทำผิดกฎหมายแล้วก็เลยไปเสี่ยงกับคุกตารางเสี่ยงกับการไปเกิดในอบายผลของการทำบาปมีทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และในขณะที่ตายไปมีชีวิตอยู่ถ้าทำผิดกฎหมายาก็ ถูกเจ้าหน้าที่จะไปขังคุกขังตารางลงโทษอาหารชีวิตตายไปก็ต้องไปเกิดในอบายสี่แห่งสจุดคือเดรลชานเปรตอสุรกายนารกนี่คือที่ไปของผู้ที่ทําบาปผู้ที่ทําบาป ก, ก็คือผู้ที่ใช้เงินไม่เป็นใช้เงินไปในทางที่ผิดใช้เงินไปในทางที่ สร้างความอยากขึ้นมาใช้เงินทางตาหูจมูกดินกายใช้ซื้อของฟุ่มเฟือยของไม่จำเป็นต่างๆเช่นเรามีพอใช้แล้วแต่เห็นของใหม่ก็อยากได้อีกเสื้อผ้าก็มีเหลือเฟือรองเท้าก็มีหลายคู่กระเป๋าก็มีหลายใบแต่พอเห็นของใหม่ขายอยู่ในร้านก็อดไม่ได้เห็นสวยเห็นชอบ อยากได้ขึ้นมาก็ซื้อถ้ามีเงินติดตัวในกระเป๋าก็ซื้อเลยซื้อไปจกกนกระทั่งมันไม่ไม่มีเหลือเงินไม่มีเหลือแล้วก็ต้องเดือดร้อนต้องไปหาเงินมาเพิ่มหามาได้เท่าไหร่ก็หมดไปกับการซื้อของตามความอยากต่างๆเพราะว่าความอยากมันไม่ได้หมดไปกับการได้เข้าของต่างๆมามันกลับทาให้มีความอยาก เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเป็นเหมือนซื้อยาเสพติดยาเสพติดนี่ซื้อมาแล้วจะต้องซื้ออยู่เรื่อยๆบุหรี่นี่ซื้อมาแล้วต้องซื้ออยู่เรื่อยๆสุรากาแฟเครื่องดื่มที่เราโปรดที่เราชอบพอดื่มแล้วมันติดจะต้องดื่มอยู่เรื่อยๆเวลาไม่มีดื่มก็หงุดหงิดลาคาญใจ ไม่เหมือนกับการทําบุญทําบุญแล้วอิ่มใจสุขใจเวลาไม่มีเงินจะทําบุญก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรก็รู้สึกเฉยเฉยแล้วก็ไม่มีความอยากที่จะไปซื้อสุรามาดืม่มซื้อบุหรี่มาสูดซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆมาใช้คนที่ทําบุญทําทานอย่างสม่ำเสมอนี่จะเป็นคนมากน้อยสังดอดได้คือจะไม่อยากได้อะไรมากา ควาอยากมันถูกตัดไปด้วยการทําบุญทานทุกครั้งอยากจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ซื้อของใหม่ที่เราไม่ต้องซื้อนี่เอาเงินไปทําบุญดูสิต่อไปก็จะไม่มีความอยากจะซื้อข้าวของต่างๆที่ไม่จําเป็นหรอจะซื้อก็ซื้อสิ่งที่จําเป็นจริงๆสิ่งที่ขาดแคลนที่จะต้องมีไว้สําหรับการดูแลรักษาชีวิตร่างกายของเรา เช่นเสื้อผ้าถ้ามันขาดหมดแล้วหรือใส่ไม่ได้แล้วก็ต้องซื้อใหม่ก็จะซื้อแบบนั้นแต่ไม่ได้ซื้อเพราะเห็นว่ามันเห็นเสื้อผ้าใหม่ๆขายอยู่ในร้านดูแล้วสวยอยากจะซื้อมาจะไม่ซื้อตามความอยากคนที่ทำบุญเป็นนิสัยจะไม่ใช้เงินไปในทางที่จะทำให้เกิดความอยากขึ้นมาจะใช้เงินไปในทางที่จะทำให้ความอยาก น้ยลงไปและหมดไปทุกครั้งอยากจะซื้อบุหรี่เอาเงินซื้อบุหรีไปทําบุญดูสิต่อไปก็เลือกบุหรี่ได้ทุกครั้งอยากจะดื่มสุราก็เอาเงินที่จะซื้อสุรานี้ไปทําบุญพอไม่มีไม่มีเงินซื้อสุราไม่มีสุราดืม่มเดี๋ยวมันก็หายมันก็หายยากเวลาไปทําบุญก็จะทําให้เรามีความสุขใจอิ่มใจ จะทำให้เราทนกับความอยากซื้อสุราได้เพราะความสุขใจอิ่มใจจากการทำบุญจะทำให้ความหงุดหงิดความํำคาญใจที่เกิดจากการดื่มสุรานี่มันเบาบางมันไม่รุแรงทำให้พอทนได้ทำให้เลิกสุราได้เลิกบุหรี่ได้เลิกสิ่งเสพติดต่างๆได้นี่คือการใช้เงินที่เป็นประโยชน์กับจิตใจ ทำให้จิตใจอิ่มให้จิตใจพอจิตใจเราจะสุขหรือไม่สุขอยู่ที่พอหรือไม่พอถ้าไม่พอมันไม่สุขต่อให้มีมากเท่าไหร่ถ้าไม่พอมันก็ไม่สุขเศรษฐีที่มีเงินหมื่นล้านแสนล้านถ้าก็ยังอยากได้อีกเขาจะไม่มีความสุขเพราะเขาก็ยังจะต้องดิ้นหามาเพิ่มอยู่ บางทีมันไม่ได้เพราะว่ามีมีแล้วไม่พอใช้มีเหลือกินเหลือใช้แต่มีน้อยกว่าคนอื่นอยากจะมีมากกว่าคนอื่นอยากจะเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งีก็ร้อนตะอยู่ไม่เป็นสุขละทั้งๆที่มีเป็นแสนล้านแต่ยังเป็นที่ที่สองอยู่ก็ยังไม่มีความสุขต้องเป็นที่หนึ่งพอเป็นที่หนึ่งมันก็ไม่สุขอีกละ มันก็กลัวจะตกไปลงเป็นที่สองอีกอยากจะรักษาตำแหน่งให้เป็นที่หนึ่งไปเรื่อยๆมันก็ต้องคอยดิน้นคอยหามาเพิ่มอยู่เรื่อยๆเพื่อจะรักษาตาแหน่งเอาไว้เอี่ความไม่พอนี่จะทำให้ม่มีความสุขแต่คนที่ไม่มีเลยนี่ถ้าเขามีความพอนี่เขากลับมีความสุขพระพุทธเจ้านี่ไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวแต่ใจท่านไม่หิว ไม่ได้อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสไม่อยากได้สิ่งต่างๆเทาเจ้านี่อยู่แบบขอทานอยู่แบบมากน้อยสันโดดอาหารก็ยินดีตามมีตามเกิดไม่เคยไปไปร้านอาหารเราเลือกดูเมนูว่าจะเอาอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ไปก็เดินไปในหมู่บ้านถือบาท้าไป ใครอยากจะให้กินอะไรใครอยากจะใส่อะไรก็ใส่ไปท่านรับมาแล้วท่านก็ไปฉันตามมีตามเกิดเสื้อผ้าคือจีวรสมัยก่อนนี้ท่านไปหาผ้าเศษผ้าที่เขาทิ้งไว้ตามป่าชา้าผ้าห่อศพเอามาเอามาซักเอามาย้อมเอามาเย็บเอามาปะมาติดมาต่อกันให้เป็นผืนใหญ่ เพื่อจะห่มได้นี่คือผ้าสมัยพระพุทธการนะพราะไม่มีใครถวายผ้าให้กับพระมีแต่ใส่บาตรเพียงอย่างเดียวสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัตินี้มีการใส่สาบาตรอย่างเดียวให้อาหารอย่างเดียวกุฏิก็ไม่ได้มีใครสร้างให้วัดก็ไม่มีใครสร้างให้ต้องไปอยู่ตามโคนไม้ <Yeah. S 1> ไปทําเพิงเอาเองเอา เอางวงเอาไม้กิ่งไม้เอาใบงวงใบไ ม, ไม้มามุงมาบังเพอให้หลบแดดหลบฝนได้สามอย่างยารักษาโรค ก, ก็ดื่มน้ำปัสสาวะยาดองน้ำมูดสมัยก่อนเขาไม่สบายเขาก็ดื่มยาดองกันหายก็หายไม่หายก็ตายเกิดมาแล้วก็ต้องตายด้วยกันทุกคน มีโรงพยาบาลมีหมอมียาก็ตายไม่มีโรงพยาบาลไม่มีหมอไม่มียาก็ตายทำไมสัตว์นี่มันอยู่ได้โดยไม่ต้องมีโรงพยาบาลยสัตว์บนเขานี่มีจํานวนเยอะแยะมีงูมีเล็งมีนกมีอะไรต่างๆไม่เห็นมันต้องมีโรงพยาบาลไม่เห็นต้องมียาเลยยามันก็กินใบไม้เนี่เวลาสัตว์มันไม่สบายบางทีมันก็กินใบไม้บางชนิด มันรู้เหมือนกันว่าใบไม้บางชนิดกินแล้วทําให้มันอาการดีขึ้นก็กินสมุนไพรนี่แหละกินไปอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ตายตายแล้วก็เกิดใหม่ไปกังวลทําไมมนุษย์ดามเนี่ยยิ่งรู้มากยิ่ ง, งโง่แทนที่จะฉลาดกับงโงก่กับสัตว์สัตว์นันไม่ค่อยทุกกับความแก่ความเจ็บความตายเพราะมันอยู่ไปตามภาษีภาษาของมัน มันไม่รู้ว่ามันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายมันก็อยู่ของมันไปไม่มีโรงพยาบาลมันก็ไม่เดือดร้อนไม่มียามันก็ไม่เดือดร้อนไม่มีบ้านมันก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมมันก็อยู่ไปตามตามภาษีภาษาของมันมันกลับสบายกว่ามนุษย์อีกถ้าพูดถึงความความสบายทางจิตใจมันไม่ค่อยมีเรื่องวิตกกังวลเหมือนกับมนุษย์เนี่ยมนุษย์นี่เราวิตกกับเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ กลจะเป็นโรคเบาหวานกลจะเป็นโรคมะเร็งกลจะเป็นโรคบางทีเครียดตายซะก่อนเครียดกับตายไปกับความเครียดเพราะวิตกกังวลไอ้นั่นก็กินไม่ได้ไนี่ก็กินไม่ได้รู้มากแล้วแทนที่จะทํารู้มากแทนที่จะทําให้สบายกับทําให้วุ่นวายใจสู้ไม่รู้ดีกว่า สู้อยู่แบบสัตว์ดีวกว่าสัตว์มันไม่รู้มันหาเช้ากินข้างของมันไปหาอะไรได้ก็กินไปหาไม่ได้ก็อดไปถ้าหาไม่ได้ก็อดตายก็อดไปไม่วุ่นวายเหมือนมนุษย์เราเนี่ยมนุษย์เรานี่โอโ้โหวุ่นวายไปหมดต้องหาบ้านหาอะไรหาโรงพยาบาลหาอะไรโรงเรียน อะไรร้อยแปดพันประการเต็มไปหมดมันก็หนีไม่พ้นแก่เจ็บตายเหมือนกันสัตว์นั้นก็แก่เจ็บตายมันแก่เจ็บตายแบบสบายแบบง่ายๆแต่มนุษย์เรานี่แก่เจ็บตายแบบวุ่นวายกันลิ่นลนกันเพราะว่า ไม่รู้วิธีที่จะทำให้ใจเราไม่วุ่นวายไม่รู้จากวิธีที่จะทำให้ใจเราสบายต้องมาเรียนจากพระพุทธเจ้าเนี่ยดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างมุตตังสารังกาฉามิมักน้อยสันโดษนี่คือคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ไปขวนควายอะไรมากมาย พอยพอมีที่หลบแดดหลบฝนได้ก็พอเอามีเสียงสะท้อนกลับมา <laughs> วิทยุออนไลน์เดี๋ยวนี้มีฟังได้หลายทางดูได้หลายทาง a ฟ e b o o กก็ดูได้ YouTube ก็ดูได้วิทยุออนไลน์ก็ฟังได้ สดสดด้วยตอนนี้กำลังถ่ายทอดสดไปทั่วโลกใครอยู่ที่ไหนแล้วนี้ก็ติดตามได้บางคนอยู่สวิตเซอร์แลนด์บอกรออยู่ทุกวันพอสองโมงก็เปิดรับฟังเราถามถามปัญหาก็ถามได้เดี๋ยวส่งข้อความเข้ามาสมัยนี้ทันสมัยมากก็ดี ถ้าเรารู้จักเอามาใช้มันก็เป็นประโยชน์กับเราได้ถ้าเอามาใช้กับการศึกษาธรรมะนี่จะเป็นประโยชน์มากเพราะธรรมะจะสอนให้เราอยู่แบบเรียบง่ายอยู่แบบไม่วุ่นวายอยู่แบบสบายใจก็ <Okay. S 1> เนี่ยมักน้อยสันโดษนี่แหละเป็นสิ่งที่พวกเราควรที่จะศึกษาและเอาตัวอย่างเอาอย่างพระพุทธเจ้า มากน้อยก็คือเอาเท่าที่จําเป็นเสื้อผ้ากี่ชุดถึงจะพอถ้าถ้ามีครบแล้วก็อย่าซื้อมาเพิ่มถ้าจะเพิ่มก็ต่อเมื่อของเก่ามันขาดสมมติว่ามีสิบชิดสิบชุดพอใช้ยันชุดสี่สิบเอ็ดนี้ห้ามซื้อห้ามมีจะมีต่อเมื่อสิบชุดนี้มันมันขาดเนือมันเสียไปสายไม่ได้หายไป ต้องหามาเพิ่มอย่างนี้ได้นี่คือความมากน้อยคือก็เอาเท่าที่จำเป็นไม่ใช่เอาเต็มตู้พอเต็มตู้ก็ไปซื้อตู้ใหม่มามาใส่ให้มันเต็มอีกไงบางทีงบ้านทั้งบ้านนี้มีแต่เสื้อผ้าเต็มไปหมดนะแต่คนที่ใส่ก็คนเดียวเท่านั้นเองร่างกายหนึ่งร่างกายแต่ใส่เสื้อผ้าเป็นสิเป็นร้อยชุด ้องเท้าก็มีสองส อ, ง อ, งองเท้าแต่ใส่้องเท้าเป็น1 0เป็นเป็น20คู่กันนี่เพราะว่าเราไม่รู้จักวิธีอยู่อย่างสบายอกสบายใจกันเราอยู่ตามความหลงความหลงมันคิดว่าอยากได้อะไรเห็นอะไรชอบอะไรซื้อมาเลยแล้วจะมีความสุขแต่ไม่คิดว่าความสุขเป็นความสุขเดียวเดียว ไม่อิ่มไม่พอซื้อมาแล้วกลับ ท, ทําให้อยากซื้อเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะทําให้ต้องไปดิน้นนนนหาเงินหาทองมาซื้ออยู่เรื่อยๆแล้วก็ไปเสี่ยงกับการไปทําบาปทําผิดกฎหมายเลาทําบาปใจก็ไม่มีความสุขแล้วเวลาทําผิดกฎหมายใจก็ไม่สบายแล้วนี่เราไม่รู้จักวิธีอยู่กันอย่างมีความสุขจึงต้องมาอาศัยพระพุทธเจ้าเป็น คนสอนดูตัวอย่างรพระเจ้าบอกว่าปัจจัยสีนี้เอาเท่าที่จาเป็นอาหารเอากินพอพอประมาณกินมากไปก็เป็นอันตรายต่อร่างกายร่างกายก็จะมีโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนร่างกายก็จะเสียเสียหุ่นที่สวยงามไปกลายเป็นตุ่มไปแล้วก็เสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุ ลองกินเวลามือม้อสามมื้อก็ได้แต่กินให้น้อยๆเอามื้อละจานก็พอแต่อยากกินสามมื้อก็มื้อละจานถ้ากินมื้อเดียวก็มื้อละสามจานไปเลยอย่างพระนี่กินมื้อเดียวฟาดมันให้เต็มท้องเลยให้มันพุงกลางเลยจนกระทั่งกินไม่ลงแต่หนเดียวพออยู่ได้ไม่ตายฉันมาตั้งแต่บวชแล้วเนี่ย ก็ยังอยู่ได้น้ำหนักก็ไม่เกินพุงไม่กลางสบายไม่ต้องวุ่นวายกินหลายรอบกินรอบเดียวนี้ร่างกายก็ไม่ต้องทำงานเหนื่อยกระเพาะลำไส้ก็ไม่ต้องคอยทำงานอยู่เรื่อยๆกินสามมือ้อกระเพาะก็ต้องย่อยสา ม, สามครั้งถ้ากินมื้อเดียวก็ย่อยครั้งเดียว น้ำหนักเบาหัวใจก็ไม่ต้องปั๊มเลือดมากแต่น้ำหนักมากก็ต้องปั๊มมากร่างกายก็เหมือนรถยนต์รถบรรทุกถ้าบรรทุกของเบาๆมันก็ไม่ต้องใช้แรงมากรถก็จะอยู่ได้นานถ้ารถบรรทุกของหนักๆมากๆมันก็พังเร็วเพราะว่าเครื่องยนต์จะต้องทํางานหนักนเครื่องยนต์ของร่างกายก็คือปอดหัวใจตับ ตกระเพาะลำไส้นี่เป็นเหมือนเครื่องยนต์ของรถยนต์ถ้าร่างกายมีน้ำหนักมากก็ต้องทำงานมากมีน้ำหนักน้อยก็ทำงานน้อยทำงานน้อยก็ไม่ต้องทำมากก็จะสึกหรอช้าอายุก็จะยาวถ้าทำมากอายุก็จะสั้น ลองสังเกตดูสิคนอ้วนกับคนผอมเนี่ยใครอายุมากกว่าใครอายุยาวกว่ากันส่วนใญคนอายุคนอ้วนอ้นี่อยู่ไม่ถึงแก่กันะตายไปก่อนเพราะร่างกายมันทำงานหนักตลอดเวลาหัวใจต้องทำงานหนักปอดต้องทำงานหนักกว่าคนอ้วนคนผอมเพรงั้นเรามาหัดอยู่แบบมากน้อยดีกว่า มาน้อยแล้วก็สันดยก็คือถ้ามีถ้าหาไม่ได้ก็ยินดีตามเท่าที่ได้มาเห็นว่าเห็นมาว่าจะสมมติว่าต้องมีอาหารสามมือ้อแต่หามาได้แค่สองมือ้อก็เอาแค่สองมื้อก็ได้ก็ไม่ตายยังอยู่ได้คาว่าสันดยก็คือยินดีตามมีตามเกิดถ้าไม่พอก็ไม่เป็นไรดีกว่าไม่มีให้คิดอย่างนั้นก็แล้วกัน หรือว่าถ้าไม่มีจริงๆก็คิดว่าคงจะถึงเวลาที่เราจะต้องตายแล้วมนะั้งชีวิตของคนเราไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราจะอยู่แบบสันโดษได้คือเรายอมตายถ้ายอมตายได้แล้วสบายไม่ต้องดิน้นรนมากปลาที่ติดเบ็ดเนี่ยเวลามันดิ้นมันเจ็บถ้ามันไม่ดิน้นมันไม่ค่อยเจ็บหรอกพวกเราก็ติดเบ็ด เบ็ดของพวกเราก็คือความแก่ความเจ็บความตายถ้ายิ่งดิ้นหนีมันยิ่งเจ็บดิ้นยังไงก็หนีมันไม่พ้นมันไม่ดูดเบ็ดตัวนี้มันไม่มันไม่ดดออกจากปากง่ายๆหนีความแก่ก็ต้องไปเคยคอยไปเสริมความงามอยู่เรื่อยๆคอยไปดึงผิวผิวหนังไปแต่งหน้าทาปากเสียเงินเสียทองเพื่อรักษาความหนุ่มความสาวไว้ รักษาไงมันก็รักษาไม่ได้เดี๋ยวมันก็เหี่ยวอยู่เลยสู้ปล่อยมันไปตามธรรมชาติดีกว่ายินดีตามมีตามเกิดแล้วจะไม่วุ่นวายใจมันจะเจ็บก็เจ็บไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปเดี๋ยวก็ตายไม่ว่าไทยมหาเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านก็ตายเหมือนกัน ขอทานข้างถน น, นก็แก่เจ็บตายเหมือนกันไม่ต่างกันต่างกันตรงที่ใจสบายหรือทุกข์กันถ้ารู้จักทำใจแล้วจะไม่ทุกข์ยินดีตามมีตามเกิดแล้วจะไม่ทุกข์แก่ก็ยินดีเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยินดีตายก็ยินดีใจจะไม่ทุกข์แล้วสิ่งที่ตายก็ไม่ใช่ใจใจไปทุกข์แทนสิ่งที่ตายทำไม ทุกแทนร่างกายทำไมตัวร่างกายเขาไม่ทุกข์สัอย่างร่างกายเขาไม่รู้เรื่องว่าเขาแก่เขาเจ็บเขาตายแต่ใจนี้ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายกลับไปทุกแทนร่างกายร่างกายนี้ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายร่างกายนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีรูปไม่มีร่างมันถึงไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันเป็นตัวรู้เท่านั้นเองเป็นผู้รู้ผู้คิด ผู้รับรู้สิ่งต่างๆที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มาเอาร่างกายมาใช้เป็นเหมือนกับโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือนี่มีไว้ทาไมไว้รับเสียงจากคนที่อยู่ ท, ที่ไกลใช่ไเราอยากจะติดต่อกับคนที่อยู่ที่ไกลเราก็มีโทรศัพท์มือถือเขาก็มีก็ติดต่อกันได้ ร่างกายของเราก็เป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือใจเป็นคนใช้มือถือใจเป็นคนใช้ร่างกายให้ไปรับข้อมูลต่างๆทางตาหูจมูกดิ้นกายมาพอมีตาก็เห็นภาพพอมีหูก็ได้ยินเสียงติดต่อกับคนนั่นคนนี้ได้เดีย๋ยวนี้มือถือก็มีกล้องสามารถเห็นหน้าเห็นตาของคนที่อยู่ไกลได้ เขาถ่ายหน้าของเขาส่งมาทางมือถือได้ส่งเสียงมาทางมือถือได้ร่างกายก็เป็นเหมือนเครื่องมือถือดีๆนี่คนใช้มือถือกับร่างกายกับกับมือถือนี่มันคนละคนกันใช่ไคนเวลามือถือตายไปเสียไปนี่คนใช้มือถือไม่ได้เสียไม่ได้ตายไปคนใช้มือถือก็ไปซื้อเครื่องใหม่พอเครื่องเก่า พังไปก็ยังต้องใช้อยู่ก็ไปซื้อเครื่องใหม่มือถือมันก็ไม่เดือดรอนมันเสียมันก็ไม่ได้บ่นอะไรร่างกายก็เป็นเหมือนมือถือเนี่ยเวลามันเสียมันตายไปมันก็มันก็เป็นเหมือนมือถือเสียคนใช้มือถือก็ถ้ารู้ว่ามันเป็นมือถือก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจแต่มันไม่รู้กันมันไปคิดว่ามันเป็นมือถือกัน เราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายกันพอร่างกายเป็นอะไรเราก็วุ่นวายขึ้นมาเราลงมาพบกับพระพุทธเจ้าที่ทรงคนพบว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นเหมือนมือถือเป็นเหมือนคนรับใช้เราเป็นคนที่ทําตามคําสั่งของเราเราอยากจะดูอะไรมันก็พาไปดูอยากจะกินอะไรมันก็พาเราไปกิน แต่เราไม่ได้กินอ่ะเราเป็นแต่รับรู้ผู้ที่กินก็คือร่างกายอาหารเข้าไปที่ร่างกายแล้วใจเป็นผู้รับรู้ว่าอตอนนี้มีอาหารชนิดนี้เข้ามาในปากแล้วมีรสอย่างนั้นมีกลิ่นอย่างนั้นกินแล้วอร่อยมีความสุขแต่คนกินก็คือร่างกายใจไม่ได้กินใจมันจึงหิวได้ง่ายร่างกายมันยังไม่ทันหิวเลยใจหิวไปก่อนแล้ว ที่กินไปอิ่มๆพอคิดถึงขนมก็หิวขึ้นมะเพราะใจไม่ได้กินเพียงใจเพียงแต่เป็นคนป้อนร่างกายบอกให้ร่างกาย ก, กินให้นู่นกินให้นี่กินแล้วใจก็มีความสุขไปกับการกินของร่างกายแล้ว เ, เดี๋ยวก็หิวขึ้นมาอีกแล้ว ท, ท, ทั้งๆที่ร่างกายยังยังไม่หิวเลยก็ต้องกินตามคำสั่งของร่างกายของใจร่างกายมันก็เลยพองขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะเราไม่มีความมากน้อยสันโดษเราไม่รู้จักควบคุมความอยากเราไม่รู้ว่าการทำตามความอยากนี้พาไปสู่ความทุกข์พาไปสู่ความหิวความต้องการแบบไม่มีขอบไม่มีเขตเราต้องมาใช้ธรรมะของพระเจ้ามาฝืนความอยากกันการทำทานนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งแทนที่จะเอาเงินไปซื้อของกินของอะไรต่างๆ ที่ไม่จําเป็นก็เอาไปทําบุญการทําบุญนี่แนหะจะทําให้ใจอิ่มจริงๆทําน้ามีความรู้สึกอิ่มทาบ่อยๆทํามากๆมันก็จะไม่ต้องไปซื้อข้าวซื้อของที่ไม่จําเป็นต่างๆแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับการหาเงินไม่ต้องไปเครียดกับการหาเงินก็หาแต่ไม่จําเป็นจะต้องหามากเพราะเราไม่ได้ใช้มากแล้ว อันนี้ก็คือการมาทำความสุขให้กับใจเรื่องของการใช้เงินเรื่องของการกระทำก็อย่าทำในสิ่งที่ทำให้ใจเครียดใจทุกข์ขึ้นมาการทำบาปนี้ทำให้ใจเครียดทำให้ใจทุกข์ทำให้ไม่สบายใจอย่าไปทำแล้วก็มานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบกัน เพราะว่ายัางไม่ได้สงบเต็มที่ทําบุญทําทางก็อิ่มในระดับหนึ่งรักษาศีลก็อิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งแต่ยังไม่ไม่เต็มร้อยถ้าอยากจะให้ใจอิ่มเต็มร้อยสุขเต็มร้อยต้องมานั่งสมาธิกันมาทําใจให้สงบเวลาใจสงบใจนิง่งใจความอยากจะหายไปหมดเลยหายไปเหมือนกับ ไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจตอนนั้นมีความอิ่มเต็มที่มีความสุขเต็มที่แต่ยังเป็นความอิ่มความสุขที่ชั่วคราวอยู่อิ่มในขณะที่อยู่ในสมาธิขณะที่ใจสงบไม่คิดอะไรตอนนั้นไม่มีความอยากไม่มีความหิวมีแต่ความอิ่มมีแต่ความสุขมีแต่ความพอแต่พอถอนออกจากสมาธิมา พอออกมารับรู้เรื่องราวต่างๆก็เกิดความอยากขึ้นมาพอเห็นขนมก็อยากกินเห็นเครื่องดื่มก็อยากดื่มถ้าเราอยากจะทำลายความอยากเราก็ต้องใช้มากน้อยสันโดษใช้เหตุผลยังไม่ถึงเวลาดื่มก็อย่าดื่มยังไม่ถึงเวลารับประทานก็อย่ารับประทานอย่าทำตามความอยากเพราะมันจะทำให้อยากขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วจะไม่มีความสุขถ้าเราฝืนความอยากได้ความอยากก็จะสงบตัวลงไปพอไม่พอพอความอยากสงบตัวลงไปความอิ่มความพอก็กลับคืนขึ้นมาใหม่ต่อไปไม่ต้องมีเงินมีทองถ้ามีก็ไว้สำรองซื้อข้าวซื้ออาหารซื้อของจำเป็นเท่านั้นแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อสิ่งต่างๆเหมือนกับที่เราซื้อกันอยู่ทุกวันนี้ เราจะอยู่กันอย่างมีความสุขเพราะว่าเราจ ะ, ะไม่ต้องอาศัยร่างกายถ้าเรามีความอิ่มใจสุขใจเราไม่ต้องใช้ร่างกายพาเราไปเที่ยวพาเราไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานเวลาร่างกายแก่เราก็ไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายเจ็บเวลาร่างกายตายเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายเราสามารถหาความสุขจากการทาใจให้สงบ หาความสุขจากการหยุดความอยากอันนี้แหละเป็นสิ่งที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเพราะเมื่อเราไม่มีความอยากที่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเราก็ไม่ต้องมีร่างกายเหมือนถ้าเราไม่ต้องใช้มือถือติดต่อกับใครเราก็ไม่ต้องซื้อมือถือเครื่องใหม่เครื่องเก่าพังไปก็ไม่ต้องซื้อใหม่เพราะเราไม่ได้ใช้มันนะ เราไม่ได้ใช้ร่างกายเพราะเราสามารถใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือหาความสุขแทนได้ใช้การนั่งสมาธิทําใจให้สงบใช้ปัญญาสอนใจให้มักน้อยสันโดษอย่าไปอยากอย่าไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะมันไม่ได้เป็นความสุขมันเป็นความหิวหาเท่าไหร่ก็ยิ่งหิวยิ่งอยากเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ ไม่หาความสุขทางใจด้วยการหยุดความอยากด้วยการไม่หาความสุขด้วยการทําตามความอยากพอเราทําลายความอยากได้หมดแล้วเราก็จะมีความสุขตลอดเวลาเ mm hmm. นใจของพระพุทธเจ้าก็เป็นแบบนี้และยังเป็นอยู่ในขณะนี้ไม่ได้หายไปไหน mm hmm. สิ่งที่หายไปก็คือร่างกายของพระพุทธเจ้าร่างกายของพระพเจ้าก็กลายเป็นพระธาตุไป ที่เรากราบว่าบูชาพระธาตนี้หรือร่างกายของพระพุทธเจ้แต่ใจของพระพุทธเจ้าตอนนี้ก็ยังสุขยังอิ่มยังสงบเหมือนตอนที่มีร่างกายใจไม่มีวันตายและไม่มีวันเปลี่ยนเพราะว่าเรามีธรรมะที่สามารถที่จะทําให้ใจมันสงบได้ตลอดเวลาทําให้ใจมีความสุขได้ตลอดเวลา นี่แะคือสิ่งที่พวกเรามาวัดกันมาหาธรรมะหาคำสอนเพื่อจะได้เอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไปทำเพื่อที่จะทำให้เกิดความสุขทางใจขึ้นมาเมื่อเราได้ความสุขทางใจแล้วเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเพราะความทุกข์ทั้งปวงนี้เกิดจากการที่เราไปหาความสุขทางร่างกายกันทางตาหูจมูกลิ้นกาย ทางราบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสที่มันไม่เที่ยงมีเกิดมีดับมีมามีไปเวลาเกิดก็ดีใจกันเวลาได้ก็ดีใจกันเวลาจากเราไปก็เสีย อ, อกเสียใจกันที่ทุกข์เพราะว่ามันจากเราไปมันไม่อยู่กับเราไปตลอดเพราะเราไปหามันเองเราไม่รู้เราคิดว่ามันจะอยู่กับเราตลอดเราคิดว่ามันจะให้ความสุขกับเรา แต่มันให้ความสุขในขณะที่มันอยู่กับเราพอมันไม่อยู่กับเรามันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเราต้องอย่าไปหาความสุขทางร่างกายทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงเกินลดให้หาความสุขจากการทำบุญจากการรักษาศีลจากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบจากการใช้ปัญญาหยุดความอยากต่างๆแล้วเราจะไม่มีความทุกข์ ต่อไปจะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขที่จะตามมาและความทุกข์ที่จะหมดไปก็ขออนุโมทนาให้พรหนังสือประวัติหลวงปู่ขาว หลวงปู่ขาวก็เป็นลูกศิษย์หลงปู่มั่นเป็นพระรุ่นพี่ของหุวงตาท่านก็เป็นพระอารหันต์กระดูกขั้นก็กลายเป็นพระธาตุหนังสือประวัติหลวงปู่ขาวนี่หลวงตามาบวัวเป็นคนเขียนเองท่านไปคุยท่านไปคุยธรรมะธรรมะกันแล้วท่านรู้แล้วสนทนาธรรมกันท่านร้ว่เป็นพระอารหันต์หรือไม่เป็น มีใครอยากจะถามอะไรไหมพูดมานี่มีอะไรไม่เข้าใจบ้างอยากจะถามก็จะอธิบายให้ฟังามมาพวกกลุ่มชาวต่างประเทศเมื่อกี้นี้เข้ามาจากวอชิงตันสเตทเหมือนกันมาจากเมืองเวนัชชีที่ขที่มีพวกเชอร์รี่ เขาไปเปิดร้านอาหารไทยอยู่ที่นั่นไ ป, ไปทำงานไปตั้งลูกแลกแล้วได้ลูกหลานลูกเกิดที่อเมริกาแล้วนี่ลูกเขาได้แฟนกันก็มาแต่งงานที่เมืองไทยกัน เ, เขาเคยมาอยู่วัดก็ เ, เคยส่งลูกให้ามาอยู่วัดเขาก็เลยมีความผูกพันกัน ตอนที่เขามาอยู่เขาก็ไปช่วยสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กที่โรงเรียนผู้รู้พยายามมองร่างกายของเราว่าไม่ใช่ตัวเรานะานนนาานที่ว่าเป็นเหมือนมือถือเดี๋ยวก็ต้องเสียละร่างกายของคนทุกคนเสียก็ไม่เป็นไรตายกันเป็นทุกคนเด็กก็ตายได้ผู้ใหญ่ก็ตายได้ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรถ้าเรารู้ว่ามันเป็นเหมือนมือถือ เราที่เราเป็นคนใช้มือถือเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราใช้ร่างกายแต่ละเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายให้เราเชื่ออย่างนี้แล้วเวลาตายเราจะไม่ทุกข์มากเราไม่ได้ตายไปกับร mm ่างกายเราก็กลับมาเกิดใหม่มาได้ร่างกายอันใหม่เดี๋ยวเหมือนเหมือนชาติก่อนร่างกายเก่าพอมันตายไปใจก็ไปหาร่างกายอันใหม่ economics. ก่อนจะไปก็อาจจะต้องแวะไปใช้บุญใช้กรรมก่อนถ้ามีกรรมก็ไปใช้กรรมก่อนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ไปเกิดเป็นสัตว์ให้เขาฆ่าบ้างพอใช้กรรมหมดแล้วก็ค่อยมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทาบุญทากรรมใหม่ทาบุญทาบาปใหม่เพราะไม่มีใครสอนไม่มีใครรู้ จนกว่าเราจะได้มาเจอพระพุทธศาสนาเนี่ยถึงจะรู้ว่าชีวิตของเราเป็นอย่างไรเราเป็นใครกันแนะ่แล้วเราไปไหนมาไหนมาได้อย่างไรไปได้อย่างไรก็เพราะพระพุทธศาสนานี่แหละถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเรามาได้อย่างไรแลวเราไม่รู้ว่าเราจะไปที่ไหนแล้วเราถ้าเราดูที่ตัวร่างกายเราเราก็คิดว่ามันก็มาจากท้องแม่แล้วเดี๋ยวมันก็ไป สุสานไปวัดไปเมนถ้ามันเห็นแค่นี้มันก็จะไม่กลัวบาปมันก็จะกล้าทำบาปกันเราคิดว่าตายแล้วก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้บาปทําบุญไมมเสียเวลาทำไมใช่ไหมทําบุญแล้วก็ไม่รู้ไม่ได้ไปรับผลทําบุญกับทําบาปเท่ากันนี่จะเลือกทำอะไรดีกว่าทําบาปดีกว่าไหมมันมันกว่า แต่พอมีศาสนามีพุทธศาสนาท่านก็นจะสอนเราว่าเราไปต่อเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นตัวเราร่างกายเป็นคนรับใช้เราเราใช้ร่างกายใช้ทำอะไรต่างๆแต่วันนี้น เ, นเราคิดก่อนเราถึงจะมาที่นี่ได้เราเป็นคนคิดไม่ใช่ร่างกายเป็นคนคิดถ้าเราไม่คิดมานี่ร่างกายมันก็มาที่นี่ไม่ได้ แต่คนสมัยใหม่คนนักวิทยาศาสตร์เขาแยกไม่ออกเขาคิดว่าความคิดมาจากร่างกายเขาคิดว่าการรับรู้อยู่ที่ร่างกายเขาก็เลยคิดว่ามีร่างกายเพียงอย่างเดียวไม่มีดวงวิญญาณไม่มีจิตไม่มีอะไรตายไปก็ตายพร้อมกันร่างกายตายไปจิตก็ตายพร้อมไป เพราะเขาไม่สามารถที่จะมาจับตัวจิตมาพิสูจน์ได้ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่จะมาวัดมามาม า, มาดูตัวจิตได้วิธีจะดูตัวจิตนี้ต้องดูด้วยการนั่งสมาธินนั่งสมาธิจิตสงบแล้วก็จะเห็นตัวจิตเองถ้าถ้าใช้แบบวิทยาศาสตร์ใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆอย่า ง, างที่เขาใช้กัน ไม่มีวันที่จะค้นตัวจิตนี้เจอจะเจอตัวจิตนี้จะต้องนั่งสมาธิทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วจะเห็นตัวจิตแล้วก็จะรู้ว่า อ, อ๋อตัวนี้กับร่างกายนี้เป็นคนระสสวนกันร่างกายหายไปแต่ตัวนี้ไม่หายไปกับร่างกาย <c oughs> ก็จะรู้ว่าตัวนี้ที่ไปเกิดใหม่ ไปได้ร่างกายอันใหม่จะได้ดีไม่ดีก็อยู่ที่บุญที่บาปเราทำไว้หลังจากที่ไปใช้รับผลบุญผลบาปแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าไปรับผลบุญกลับมาก็จะกลับมาเกิดดีกลับมาเกิดแบบมีว่ามีวาสนาบารมีมีเงนินมีทองมีรูปร่างหน้าตาที่ดี มีอาการที่ครบ32มมีฐานะการเงินที่มั่งคัง่งอยู่ดีกินดีพวกนี้เป็นพวกที่ทำบุญหลังจากกลับไ ป, ไปรับผลบุญแล้วกลับมาก็ได้มาเกิดดีส่วนพวกที่ไปทาบาปไปรับผลบาปกลับมาก็จะมาเกิดไม่ดีเกิดแบบอาภัพวาสนารูปร่างหน้าตาไม่สวยงามอาการบางทีก็ไม่ครบ32 โลกภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอายุสัน้นมีนิสัยไม่ดีติดตัวมาชอบทำบาป ท, ทำกรรมชอบเสพสุราชอบเสพอบายามุกต่างๆมันเป็นของที่มันเป็นเชื้อติดมากับใจถึง แ, แม้ว่าไปใช้กรรมแล้วแต่เชื้อที่ทำให้ไปทำกรรมนี่มันยังอยู่ เคยชอบฆ่าสัตว์กลับมาก็จะมาฆ่าสัตว์ใหม่เคยชอบดื่มสุราก็กลับมาดื่มใหม่เคยชอบเล่นการพนันก็จะกลับมาเล่นใหม่ส่วนคนที่เคยชอบทำบุญกลับมาก็จะทำบุญใหม่คนที่ชอบรักษาศีลก็จะรักษาใหม่คนที่ชอบนั่งสมาธิชอบฟังเทศฟังธรรมก็จะกลับมาทำแบบที่เคยทำอยู่ แต่ก็เปลี่ยนได้นิสัยเหล่านี้ก็เปลี่ยนได้ถ้ามาเกิดต้องมาอยู่กับคนที่เขาไม่ชอบทําบุญก็อาจจะไม่ได้ทําบุญก็ได้เขาชวนไปเล่นไพ่แทนแทนที่จะไปทําบุญก็ชวนไปเล่นไพ่ถ้าไปกับเขาบ่อยๆเข้าเดี๋ยวก็ลืมเรื่องทําบุญได้ไปติดเรื่องเล่นไพ่ขึ้นมาก็ได้ในี้ทางตรงกันข้ามคนที่ชอบเล่นไพ่เอามาอยู่กับคนที่ชอบทําบุญเขาก็ชวนไปทําบุญนึงไปทําบุญ เป็นพ่อแม่ชอบทาบุญก็เดิหม่ทำบุญเดี๋ยวก็เลิกเดี๋ยวนิสัยเล่นที่ชอบเล่ น, ลนไพ่ก็หายไปก็ได้นิสัยใหม่นิสัยชอบทำบุญขึ้นมาอันนี้เปลี่ยนได้อยู่ที่สิ่งแวดแล้อมแล้วก็อยู่ที่นิสัยของเราว่ามันติดหนักหรือติดเบาถ้าติดหนักบางทีก็เปลี่ยนไม่ได้พอเวลาเขาไม่ชวนเราไปวัดเราอยู่คนเดียวเดี๋ยวก็ไปเล่นไพ่เองคได้ นี่สแสดงว่ามันฝังแล้วเขาเรียกว่าสันดาลไม่ใช่นิสัยถ้านิสัยนี่ยังพอแก้ได้แก้ได้ง่ายกว่าถ้าสันดาลนี้มันต้องบังคับต้องรู้ตัวเองต้องรู้จริงๆว่าไม่ดีแลอย่าไปทําถึงจะแก้ได้แต่ถ้าปล่อยให้ไปตามความรู้สึกนึกคิดเดี๋ยวพออยู่เฉยๆไม่มีใครมาชวนไปวัดก็อยากจะไปเล่นไพ่ขึ้นมาก็ไปเลยแต่ถ้าได้ยินได้ฟังธรรมของพระเจ้า เรารู้ว่ า, เ, าเล่นไพ่ไม่ดีเล่นการพนันไม่ดีถึงแม้ว่าไม่มีใครชวนไปวัดแล้วมีความอยากจะไปเล่นไพ่ก็ไม่ไ ป, ไปพอเคยไปวัดไปทําบุญแล้วได้ฟังเทศภาฯก็บอกว่าเล่นไพ่ไม่ดีอพอใจอยากจะไปเล่นไพ่ก็ไม่เล่นดีกว่าพอฝืนไปเรื่อยๆไม่กี่ครั้งเดียวมันก็เลิกเล่นได้นิสัยเราเปลี่ยนได้นิสัยดีก็เปลี่ยนไปในทางไม่ดีได้ นิสัยไม่ดีเปลี่ยนมาทางที่ดีได้อยู่ที่สิ่งแวดล้อมหนึ่งอยู่ที่คนชวนเราสองอยู่ที่ความเห็นว่าเราเราเราู้ว่าสิ่งที่เราทำดีหรือไม่ดีถ้าสิ่งที่เราทำไม่ดีเราก็เลิกมันได้ฝืนมันได้ถ้าเราไม่เคยทำสิ่งที่ดีแล้วเรารู้ว่ามันดีเราก็บังคับให้มันทำบังคับให้มันมาวาดบ่อ ย, อย <S <S 1> <S 1> ๆเดี๋ยวมันก็มาเองเดี๋ยวมันก็ติดนิสัยมาเป็นประจำ นี่คือตัวที่ทำให้เราไปทำบุญทำบาปก็คือตัวนิสัยสันดานนี่นิสัยสันดานไม่ดีเราก็เรียกว่ากรรมนิสัยสันดานดีเราก็เรียกว่าบุญหรือบารามีคนที่มีนิสัยสันดานดีจะชอบทําบารามี1ิประการชอบแผ่เมตตาชอบทาทานชอบรักษาศีลชอบถือศีลบวชชอบเป็น ออกไปรักษาศีลแปดนี่ถือศีลในขมมะชอบนั่งสมาธิทำใจให้สงบเป็นอุเบกขาชอบฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญามีความมีจิตใจที่แน่วแน่ต่อการกระทาของตนมีความเพียรที่จะทำสิ่งที่ดีนี่คือเรียกนิสัยที่ดี ส่วนนิสัยที่ไม่ดีก็ชอบเล่นการพนันชอบทำบาปนี่คือทางไปของใจของพวกเราไปสูงไปต่ำก็อยู่ที่เนี่ยไปทางบุญบารมีหรือไปทางกรรมทางบาปทางกรรมยึงทำให้คนเรามาเกิดสูงสูงต่ำๆ่ไม่เท่ากันบางคนก็ สูงบางคนก็ตันบางคนก็ดีบางคนก็เร็วบางทีเกิดมาในครอบครัวเดียวกันนี่แหละพ่อแม่คนเดียวกันแต่คนหนึ่งดีอีกคนหนึ่งเร็วไม่ได้มาจากพ่อแม่นิสัยสันดานไม่ได้เป็นสิ่งที่พ่อแม่ถ่ายทอดให้กับเรากรรมเป็นผู้ถ่ายทอดการกระทาของเราในอดีตคือนิสัยสันดานของเราเป็นผู้ถ่ายทอด นิสัยดีหรือนิสัยเร็วมันก็จะทำให้เราดีให้เราเร็วไปตามนิสัยเดี mm ๋ว hmm. เราต้องคอยสังเกตดูนิสัยของเราว่าตอนนี้นิสัยของเราไปในทิศทางไหนถ้าไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ฝืนมันอย่าไปทํามันตอนนี้เรารู้แล้วว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเราเข้าวัดเข้าว่าอบายามุขมีอยู่หกอันเลื่มโซาเล่นการพ น, นันเที่ยวกลางคืน เที่ยวดูของละเล่นต่างๆคบคนไม่ดีแล้วก็ความเกลียดข้านนี่คือสิ่งที่ไม่ดีอย่าให้มันเป็นนิสัยของเราแล้วก็การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปด น, นี่รวมกันทั้งหมดเป็น10บบาปสะอบายมุขหรวมกันก็เป็น10 ถ้าไม่ทำสิ่งเหล่านี้ได้แล้วจิตใจจะดีขึ้นไปตามลำดับถ้าอยากให้จิตใจดีก็เนี่ยมีความเมตตากรุณามุญิตาอูเบคขาทำบุญทำทานรักษาศีลวันพักก็เข้าวัดรักถือศีลแปอยู่ในคัมภีรทำใจให้สงบฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาแล้วจาก จเจริญขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสูงสุดเลยพระพุทธเจ้าก็ทำอย่างนี้มาจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าผลลัพธ์ของการจเจริญบา ร, รมีทั้งสิบนี้ก็คือจะได้เป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นพระอาหารหันต์กันได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันถ้าไปทำทำบาปไปทำกรรมไปเสพอบายมุขก็จะไปอบายกันตายไปก็ไปอบาย ไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นอสูรลกายบ้างไปตกนรกบ้างแล้วพอกลับมาก็มาทำบาป ท, ทำกรรมใหม่แล้วตายไปก็กลับไปใหม่จนกว่าจะมาอยู่กับคนที่เขาชวนเราไปทำบุญทาทานชวนเราไปวัดชวนเราไปฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วเราเริ่มรู้ว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่เป็นนิสัยของเรานี้ไม่ดีแล้วเราพยายามฝืนพยายามแก้พยายามเลิก เคยฆ่าสัตว์ก็เลิกฆ่าเคยรักทรัพก็เลิกเคยประพฤติผิดตัวเวณีเคยโกหกก็เลิกเคยเด่นสุราเคยเล่นการพนันเคยเที่ยวกังคืนเคยมีความเกลียดค้างเคยคบคนไม่ดีเป็นมิตรเคยชอบเที่ยวเตะดูหนังดูละครอะไรต่างๆก็เลิกเปนเสียเ้าเลิกสิ่งเหล่านี้ได้แล้ว มาทำสิ่งที่ดีเดี๋ยวก็ได้ไปเป็นพระพุทธเจ้าเองพวกเราโชคดีเรามาเจอแผนที่ชีวิตถ้าเราไม่ได้เจอพระพุทธศาสนาเราไม่รู้ว่าชีวิตเรานี้ไปทิศทางไหนกันเราก็ทําไปตามนิสัยของเราวันนี้วันไหนอยากจะทําอะไรก็ทํำไปเมื่อตัวที่ไม่รู้ว่ามันมีผลต่ออนาคตของเรา ตอนนี้เรารู้แล้วว่าการกระทําของเราเนี่ยมันมีผลต่ออนาคตจะพาให้เราไปสู่สุขติไปสู่นิพพานหรือพาให้เราเวียนว่ายตายเกิดในอบา ย, ยาก็ขอให้เราคอยดูเฝ้าดูการกระทําของเราดูนิสัยของเราว่ามันจะไปทางไหนพอไปทางที่ไม่ดีต้องดึงมันกลับมาอย่าไป ถ้ามันไปทางที่ดีไปเลยเช่นวันนี้อยากจะมาวัดไปเลยไม่ต้องรอเวลาเดี๋ยวคิดอยากจะมาวัดแล้วก็เออเดี๋ยวต้องรอวันนูน่นวันนี้ก่อนรอสิ่งนั้นสิ่งนี้ก่อนถ้ามัวอรอเลเดี๋ยวไม่ได้มาถ้าอยากจะมามาเลยชวนเพื่อนไม่มาก็ช่างเขาและ้ะชวนลูกเชิญหลานชวนพี่ชวนน้องเขาว่าไม่ว่างอย่างโน้นอย่างนี้ต้องรอวันนู่นวันนี้อย่าไปรอไม่ต้องไปรอใครบุญนี้รีบทำเสีย ว่าเราไม่รู้จะตายกันเมื่อไหร่ตายแล้วจะไม่ได้ทำแล้วชาติหน้ากลับมาอาจจะไม่ได้เจอแผนที่ก็ได้ไม่ได้ว่าเราจะมาได้มาเจอพระพุทธศาสนาทุกชาติไปถ้าไปเกิดในประเทศที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็ก็ไม่รู้เรื่องนะฆ่ากันตายทุกวันเทว่าพวกเรามีโชคมีวาสนามีบุญที่ได้มาเกิด เป็นมนุษย์ในประเทศที่มีพระพุทธศาสนามีแผนที่มีคนนําทางพาเราไปสู่ความสุขความเจริญพาเราไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายไม่มีศาสนาใดในโลกนี้ที่ทําอย่างพระพุทธศาสนาได้ศาสนาอื่นบางทีก็พาไปนรกกันไปพาไปฆ่ากันเนี่ยแหละศาสนานั้นมันศาสนาที่ที่หลงทาง เอาให้คนฆ่ากันไม่ผิดแล้ต้องไม่ฆ่ากันโดยเด็ดขาดแม้แต่ชีวิตของตนเองก็ไม่ให้ฆ่าอย่าว่าแต่ชีวิตของคนอื่นนะเป็นบาปทำแล้วจะเกิดผลเสียหายกับจิตใจอ้าทางบ้านมีไหมตอนนี้อ่าทางนี้จะถามหรือเปล่าไม่ได้เถามว เอาเลยเปิดให้ทางบ้านตามบัางกันนะใครจะอยู่ใครจะไปก็ได้นะไม่ห้ามนะเพ<อ>ราะว่าพระอาจา์ครับมีเรื่องหนึ่ง อ, อยากจะให้พระอาจารย์อธิบายใ ห, ให้ท่านผู้ท่านผู้อสอบถามมาได้ได้เข้าใจนะครับด้วยดวยพระอาจารย์เองนะครับคุณบุตรพุทธนะครับอา่า เรียนเจ้าหน้าที่พระพุทธเจ้าให้ดูแต่ตัวเองไม่ต้องเพ่งโทษผู้อื่นแต่ดิฉันเคารพพระอาจารย์มากอยากให้ภาพออกมาดูสมควรกับท่านที่เคารพของคนทั่วไปคือการที่ท่านดื่มน้ำน่าจะมีกระบอกน้สแตรเลสให้ท่านเทใส่แล้วยกดื่มจะแลดูดีกับพระเถระขอโทษยกโทษให้ดิฉันด้วยถ้าคาพูดไปกระเทือนใจใคร ทา่านจะได้ภราพด้วยคือความจริงถ้าเราเป็นผู้น้อยเราไม่ควรไปสอนผู้ใหญ่เราอาจจะคิดว่าเราฉลาดก่าผู้ใหญ่ก็ได้การกระทำนี้มันก็เป็นเรื่องของแต่ละคนเขาเขาจะทำอะไรอย่างไรมันก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่มีหน้าที่ที่ควรจะไปสอนไปเสือกพูดง่ายๆ ถึงแม้จะหวังดีมันก็ต้องรู้จักฐานะของเราว่าควรไม่ควรแล้วก็เราก็ไปยึดกับธรรมเนียมว่าจะต้องกินใส่ท่องใส่ถ้วยแต่เร า, าก็เลยคิดว่าถ้าคนกินจากกระบอกนี่ก็ไม่สวยงามขึ้นมาอันนี้ก็เพราะว่าเราไปยึดไปติดกับสมมุติแบบนั้นแต่สังคมของ พระป่านี่ท่านเป็นคนป่าเถื่อนท่านไม่ใช่เป็นคนในสังคมเ <c oughs> น <c oughs> ม้นจะไปเอามาตรฐานสังคมมาใช้กับพระป่าไม่ได้พระป่านี่ท่านชันด้วยมืออ่ามัาไม่ไไปสอนให้ท่านใช้ช้อนอ่ะเหมือนพวกคุณใครเป็นสารณะของใครกันแนะ่เราต้องถามตัวเราเองเราถือพระเป็นสารณะเรียกว่าพระถือเราเป็นสารณะ อันนี้ก็ไม่ได้พูดด้วยความโกรธนะแต่ก็พูดด้วยว่ามันมีเหตุให้พูดก็ต้องพูดที่ที่ถามก็อาจจะเพราะว่าอยากให้น่าจะมีหลายคนที่คิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอาจารย์จะง่ายๆครับอะไรเงี้ยครับก็จะได้เข้าใจเราไม่ใช่เหรอมีมีถ้วยก็ต้องไปล้างเวลาเวลาจะกีก็ต้องหิวมาเข้าใจไหมอืมเราถือความสะดวกเป็นหลัก แล้วเดินจากถ้วยเดินจากขวดนี่มันไปทําให้ใครตายทําให้ใครเดือดร้อนหรือเปล่ามันก็ไม่ได้ไปทําให้ใครเสียหายอะอย่างคุณอยากให้เราเดินถ้วยคุณเอาถ้วยมารอให้เราทุกวันสิแล้วเวลาเดื่มเสร็จคุณก็กลับไปล่างให้เราแล้วพรุ่งนี้เราก็จะดื่มใหม่มีบางวันเนี่ยแม่ญาติโยมที่เขาเอาถ้วยมาให้เราเดื่มเราก็ดื่ม แต่นี้ไม่มีข้าวถ้วยมาให้นอนมีแต่ขวดอย่างเดียวเราจะเราไปหาถ้วยหน่อยเด ว, มวไม่เอานะไม่เอาไม่พูดเอาถ้วยมาก็เรื่องยุ่งยากก็ต้องเราไปล้างอีกอาำนวนขายิ่งไม่มีน้ําอยู่แล้วต้องการประหยัดน้ําอันนี้ก็ไม่ว่านะั้นถ้าคุณอยากจะดื่มถ้วยก็คุณก็ดื่มไปเราอยากจะดื่มขวดแล้วก็ดื่มของเราแต่คุณคิดว่าเราไม่สวยงามคุณไม่อยากจะ ถามว่าเราแล้วก็ไม่ว่าอะไรเขาคงไม่ได้ตําหนิครับอาจารย์แต่เขาคงประมาณว่าน่าจะจัดให้พระอาจารย์อะไรอย่งนี้ยแต่คงไม่ได้ตําหนิพระอาจารย์หรอกครับใช่ครับเขาเคารพมากแต่ใช่แต่พระอาจารย์ตอบเองเลยเริ่าคําถามจากคุณลพีพรนะครับจากเฟซบุ o กไลฟ์นะครับตอนนี้ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิสวดมนต์ต่อเนื่อง เริ่มความรู้สึกหดหูท้อแท้ etz, อย่างไม่มีสาเหตุทำให้ไม่อยากออกไปใช้ชีวิตข้างนอกแต่ใจอยากปฏิบัติตอ่อควรทำอย่างไรดีคะกับสภาวะแบบนี้ก็เป็นภาวะที่เรายังไม่ได้ผลจากการปฏิบัติเป็นภาวะที่กำลังต่อสู้กันระหว่างกิเลสกับการปฏิบัติของเรามันก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกหดหูเพราะเรายังไม่ได้เห็นผลจากการปฏิบัติแล้ว ตัวกิเลสนั้นกยย็เป็นตัวสร้างความรู้สึกเหล่านี้ขึ้นมาแล้วเราก็ต้องพยายามพยายามปฏิบัติต่อไปจนกว่ามันจะได้ผลพอจิตสงบแล้วความรู้สึกขดหูต่างๆจะหายไปหมดคำถามข้อต่อไปจากคุณวีรพรนะครับถ้าวันไหนที่รู้สึกว่าภาวนาญากพุทโธไปแล้วรู้สึกเบื่อเบื่อเดินจงกรมก็ไม่นานก็เบื่อ พอไปนั่งแป๊บเดียวก็เบื่อแล้วก็ไปเดินแต่ก็เดินได้ไม่นานเกิดอาการแบบนี้ทางที่ดีต้องฝืนความอยากอยากเดินก็นั่งอยากนั่งก็เดินหรือว่าต้องทำอย่างอื่นเช่นอ่านหนังสือธรรมะหรือฟังธรรมะเพื่อกล่อมใจพอมีความสงบบ้างแล้วค่อยกลับไปเจริญสติต่อครับมันต้องหยุดความคิดปรุงแต่งเท่านั้นตัว ท, ที่ทาให้จิตใจเราเบื่อนี่ก็คือความคิดปรุงแต่ง มันอยากจะทําในสิ่งที่เราทําไม่ได้อยากจะไปเที่ยวเที่ยวไม่ได้มั น, นก็เบื่อมันเบื่อกับการเดินจงกรมเบื่อกับการนั่งสมาธินั่งแล้วก็ไม่ได้ผลมันก็เลยเบื่อมันอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปดื่มอยากจะไปรับประทานมันก็เลยทําให้เกิดอาการเบื่อขึ้นมาฉะนั้นจะต้องทําให้มันสงบเท่านั้นแหละจะทําด้วยวิธีไหนก็สุดแท้แต่ ก็มีไหนท่ า, าก็บอกให้พุทโธไปคําเดียวมันจะยากตรงไหนท่องพุทโธไปเรื่อยๆไม่ต้องไปคิดอะไรพุทโธไปนั่งเมื่อยก็ลุกเดินเดินเมือม่อยก็นั่งแต่ตใจให้มันมีพุทโ ธ, ธตลอดเวลาก็แล้วกันถ้าใจมีพุทโธเดี๋ยวไอ้ความเบื่อมันจะหายไปเองนี่มันขี้เกียจพุทโ ธ, ธกันขี้เกียจเจริญสติมานั่งปรุงแต่งว่ากูจะนั่งดีหรือจะเดินดีนั่งก็นั่งก็เบื่อเดินก็เบื่อ ว่าครูจะไปทำอะไรดีโอ้ถ้ามันแก้ปัญหาแบบนี้ไม่มีวันที่จะแก้ได้เร้วถ้าไม่ไปหยุดความคิดเนี่ยอย่าไปคิดมันความคิดนี้มันมันคิดตามกิเลสถ้าอยากคิดจริงๆตามกิเลสก็ไปเที่ยวเลยลาลาสิทธาไปถ้าถือศีลแต่ก็ขอพักชั่วคราวขอถือศีลห้าไปเที่ยวให้พอให้เบื่อก่อนแล้วค่อยกลับมาถือใหม่อันนี้ก็แก้เบื่อได้แต่ มันก็เป็นแก้เบื่อชั่วคราวเดี๋ยวเที่ยวบ่อยๆก็มันก็เบื่ออีกอ่ะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ไม่เบื่อหรอกเพียงแต่ว่าเราพอพอมีที่เปลี่ยนได้ใช่ไมพอเบอเบื่ออย่างนี้แล้วก็ไปทําอย่างงู้นพอทำอย่างนู้นเบื่อก็ไปทําอย่างนี้ต่อแต่มันก็เจอความเบื่ออยู่เรื่อยแหละไม่ว่าจะทําอะไรมีอย่างเดียวเท่านั้นที่จะทําให้เราไม่เบื่อก็คือทําใจให้สงบนี่ฮะถ้าใจสงบแล้วมันไม่เบื่อมันจะมีความสุข มันจะมีความชอบความมันเหมือนกับของใหม่ตลอดเวลาความสมบนี่ยั้นอย่าไปคิดเลยถ้าคิดแล้วจะถูกกิเลสมันหลอกเพราะความคิดของเรานี้มันเป็นความคิดของกิเลสมันพยายามที่จะหลอกล่อให้เราเลิกปฏิบัติพยายามที่จะหลอกล่อให้เราไปเที่ยวไปเล่นกันฉะนั้นอย่าไปคิดดีกว่าคิดตามที่พระเจ้าบอกดีกว่าให้พุโทโธคำเดียว หรือเหมือนกับที่สอนพระอานุน์ให้คิดถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกก็ได้หายใจออกก็ว่าถ้าไม่หายใจเข้าก็หายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายให้คิดแค่นี้แล้ว ร, รับลองได้ว่าเดี๋ยวใจก็จะสงบสงบแล้วก็จะหายเบื่อคำถามข้อต่อไปจากคุณจูนนะครับ หากในภาษาตั้งสัจจะอธิษฐานในการปฏิบัติธรรมเช่นสามชั่วโมงต่อวันในรูปแบบวันพักถือสีแปดแล้วมีเหตุทำไม่ได้ในบางครั้งแต่มีจิตที่ปรารถนาจะทำจึงเริ่มใหม่ทันทีไม่ถือเป็นโมฆะใช่ไหมคะหนูใช้วิธีชดเชยเอาเช่นวันพระไม่ได้ถือสีแปดถือใหม่วันอื่นแทนก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีต้องชดเชยสองเท่ามันจะได้ไม่ค่อย จะได้เข็ดใคจะได้เข็ดครัคำถามจากคุณมงคลนะครับบุคคลใดที่กล่าวจาบช่วงผู้ปฏิบัติธรรมหรือไม่เห็นด้วยและคัดค้านในธรรมด้วยความไม่รู้หรือไม่มีศรัทธาไม่ได้กระทำผิดศีลทั้งห้าข้อเรียนถามว่าจะมีผลกรรมหรือไม่ก็มีไปไปยุ่งกับเรื่องชาวบ้านเ้าทำไมตัวเองก็จะเสียเวลา มันก็จะติดเป็นนิ ส, สัยไปจะชอบไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นเขาส่วนเรื่องของตัวเองก็จะไม่มาทำจะเสียประโยชน์ต่อเปล่าเรื่องของคนอื่นนี้เราไปยุ่งกับเขาเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ทำให้เราดีหรือชั่วหรอกเรามายุ่งกับเรื่องของเราดีกว่านะถ้าตัวเราไม่ดีเราก็มาแก้ให้มันดีถ้ามันดีแล้วก็พยายามรักษาให้มันดีขึ้นให้มันทาให้มันดีมากขึ้นไปจะดีกว่าไปยุ่งกับคนอื่นไปคอยวิพากวิจารไป หยาบจ้วงไปอะไรต่างๆนะ้นาะไม่เกิดประโยชน์อะไรคำถามจากคุณบุตรพุทธอีกข้อนะครับพระอาจารย์คะดิฉันปฏิบัติมานานแต่ไม่ก้าวหน้าดิฉันหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทโดยตั้งสติไว้ที่ลมหายใจแต่ไม่นานมันก็คิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่นๆไปชักกระเยอะกันอยู่อย่างนี้จนขาดความอดทนค่ะแต่เมื่อไม่นานได้ฟังท่าน บอกให้แยกกันคือถ้าดูลมหายใจให้ดูอย่างเดียวไม่ต้องพุทธโธแต่ถ้าจะท่องพุทธโธให้ต้องพุทธโธทีทีเอาสติไว้ที่พุทโธที่สันฟังแล้วก็ท่องพุทธโธ ท, ทีทีแต่ไม่นานมันกลับไปทำเหมือนเดิมคือหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทในใจมันเลยสับสนว่าจะเอาอะไรดีขอพระอาจารย์โปรดแนะนำด้วยเจ้าค่ะก็แล้วแต่แหละอันไหนที่มันทาให้ได้ผลก็อันนั่นแหะ เรายังติดอยู่กับพูดเข้าโทรออกก็ทําไปยงแต่ว่าเราต้องอยากไปคิดเรื่องต่างๆให้อยู่กับพูดเข้าโทรออกอย่างเดียวคําถามจะคุณเนียนะครับการถือศิ่งแปลกและภาวนาอยู่วัดตลอดชีวิตทําข้อวัดเช่นเดียวกับพระทุกอย่างและการบวชเป็นพระตลอดชีวิตเพศไหนจะสามารถบรรลุมรรคผลได้ไวกว่ากันครับ พราบางครั้งผมก็สังเกตว่าสังคมพระบางแห่งก็ยังมีการแก่งแย่งชิงดีกันอยู่จึงกลับเรียนถามถ้าเราถือศีลแปดอยู่วัดและทําข้อวัดเช่นเดียวกับพระทุกอย่างเมื่อเทียบกับการบวชเลยแบบไหนจะดีกว่ากันครับมันไม่ได้อยู่ที่แบบหรอกมันอยู่ที่ว่าเรามีศีลสมาธิปัญญาครบบริบูรณ์หรือเปล่าส่วนใหญ่ที่บวชกันเขาก็มักจะมีแค่ศีล พวกที่ยังไม่ได้บรรลุกันก็เพราะว่ามีแค่ศีลแต่ไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่ว่าจะเป็นถือศีลแปหรือบวชพระก็เหมือนกันไม่ได้อยู่ที่การถือศีลแปและอยู่ที่บวชพระบวชพระก็มีศีลถือศีลแปก็มีศีลแต่สิ่งที่ไม่มีก็คือสมาธิกับปัญญาไม่นั่งสมาธิกันไม่ทำจิตให้รวมไม่มีดวงตาเห็นธรรมไม่เห็นไม่เห็นอริยสัจสี ไม่เห็นว่าทุกเกิดจากความอยากของเราและวิธีดับทุกก็ต้องเห็นว่าการทำตามความอยากเป็นการทำทำความทุกข์ให้เกิดกับใจเราอันนี้ทางหากที่จะทำให้บรรลุหรือไม่บรรลุไม่ใช่เพียงแต่บวชอย่างเดียวบวชแล้วถ้าไม่นั่งสมาธิไม่เจริญปัญญาก็ไม่มีวันที่จะบรรลุได้ไม่ว่าจะเป็นบวชพระบวชชีหรือถือศีลแ การบวชนี้ได้แค่ศีลอย่างเดียวแล้วก็ไม่รู้ว่าบริสุทธิ์หรือไม่บางทีก็อาจจะแอบไปกินข้าวเย็นกันหรือพระบางรูปท่านก็ดื่มสูรากันบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้การกระทาเหล่านี้เป็นเพียงระดับศีลท่นเองยังไม่ได้เข้าสู่ระดับสมาธิและปัญญา คำถามจากคุณชุติการนะครับหลังจากที่ภาวนาไปเรื่อยๆแล้วพอเริ่มทำบ่อยๆกับมีอาการเริ่มเบื่อหงุดหงิดไม่อยากภาวนาต้องบังคับจิตใจกันเป็นเวลานานเลยค่ะจากปกติไม่เป็นแบบนี้ขอเมตตาจากพระอาจารย์ก็เป็นตามปกติของการปฏิบัติการปฏิบัติมันก็จะทําให้เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาเวลามันไม่ได้ผลก็ต้องอดทนว่าต้องทําไปเรื่อยๆ เหตุที่เราเจริญยังไม่พอยังกำลังไม่พอไม่พอที่จะทำให้ใจสงบเราก็ต้องหมั่นสัเจริญสติให้มากขึ้นพุทโธให้บ่อยขึ้นอย่าปล่อยใจให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆคิดให้น้อยลงไปทำตามความอยากให้น้อยลงไปแต่เวลาฝืนความอยากมันก็จะเกิดความหุดหงิดเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาก็ต้องทนนั้นนะ ถ้าไม่มีขันติมันก็ไปไม่รอดคนที่จะมาทางนี้ต้องมีความอดทนต่ออารมณ์ต่างๆอารมณ์ท้อแท้เบื่อหน่ายมันเกิดกับขึ้นทุกคนแต่เราก็ต้องสู้มันไปพยายามเจริญสติไปเรื่อยๆดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างท่านสู้จนกระทั่งสลบสามครั้งต้องสู้มันไป ท่านั้นถึงจะไปได้ถ้าพอเจออารมณ์ไม่ดีหน่อยก็ยกธงขาวแล้วก็จบก็จะไปไม่ถึงไหนเพราะมันจะเจออารมณ์ท้อแท้เบื่อหนตลอดทางไปเลยคำถามจากคุณนุนะครับหากปฏิบัติธรรมอยู่บ้านศึกษาธรรมะผ่านสื่อต่างๆเช่นฟังธรรมผ่านถ่ายทอดสดขณะ น, นี้หรือฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านอื่นๆ สามารถที่จะบรรลุขั้นโสดาบันได้ไหมคะเพราะเคยได้ยินว่าถึงระดับหนึ่งจะต้องมีครูบาอาจารย์แนะนําแก้ปัญหาที่ติดจัดให้ติดขัดให้เลยสงสัยว่าผู้ที่ไม่ได้ไปพบครูบาอาจารย์โดยตรงจะบรรลุขั้นโสดาบันหรือเปล่า อ, อ๋อมันบรรลุหรือไม่บรรลุมันก็อยู่ที่ความสามารถของเราว่าเราสามารถออทําให้ เหตุที่จะทำให้บรรลุได้ทำได้หรือเปล่าเช่นสโสดาบันก็ต้องละส ก, กายะทิฏฐิให้ได้คือการเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราอย่างที่วันนี้สอนให้ฟังสอนไปแล้วเราเอาไปทำได้ไหมเวลาร่างกายเจ็บขึ้นมาเราเฉยเฉยได้หรือเปล่าเวลาร่างกายแก่เราเฉยเฉยได้หรือเปล่าเวลาร่างกายจะตายนี่เราเฉยเฉยได้หรือเปล่าถ้าเฉยได้เราก็บรรลุได้ เขาสงสัยว่าไม่ได้พบด้วยตนเองก็ก็สามารถบรรลุได้ใช่ไหมครับก็ให้รู้จักวิธีว่าทํำยังไงให้มันมันรูุ้เลยเหมือนเดี๋ยวนี้คนเวลาจะทํากับข้าวก็มีรายการสอนทำํำอาหารทํากับข้าวในทีวีเราก็ไม่ต้องไปเรียนที่ ท, ที่ที่ร้านเขาใช่ไหมก็ดูที่ทีวีก็ได้แล้วเราก็เอาไปทํากับข้าวเดี๋ยวนี้ใน YouTube ก็มีเนี่ยอยากจะทําอะไรลองเข้าไปหาดูเลย ยากจะทำแกงเขียวหวานมันก็มี youtube ให้เราดูเราก็ดูไปเลยเราก็ทําตามที่เขาบอกเราก็ทช้ได้ไม่ต้องไปเรียนต่อหน้ากันพอนนี้เรามีสื่อที่ถือว่าเหมือนกับได้ไปอยู่ต่อหน้ากันเลยอย่างตอนนี้ถึงแม้จะอยู่ที่บ้านก็เหมือนกับอยู่คนที่อยู่ที่นี่ก็ได้ยินเหมือนการเห็นหน้าตาเหมือนกันถามถามได้เหมือนกันสงสัยอะไรก็ถามได้เหมือนกัน ดันั้นจะบรรลุไหมบรรลุหนึ่งอยู่ที่ว่าเรารู้จักวิธีที่จะบรรลุหรือเปล่าสองเมื่อรู้จักวิธีแล้วทำตามวิธีนั้นได้หรือเปล่าเหมือนกับเราอยากจะทำแกงเขียวหวานเนี่ยเราก็ไปศึกษาดูว่าต้องทำอะไรบ้างต้องมีอะไรบ้างเมื่อ ร, รู้แล้วเราไปทำตามที่เรารู้ได้หรือเปล่าถ้าเราทำได้เราก็ได้แกงเขียวหวานคําถามจากคุณพนมพรนะครับ สำหรับค า, า, ารวาทผู้เริ่มปฏิบัติใหม่พอเริ่มปฏิบัติแล้วชีแรกเริ่มรู้สึกดีมีความสุขกับความสงบแต่หลังจากออกจากสมาธิแล้วเจอกิเลสมาทำผิดศีลจิตเริ่มไม่อยากสวดมนต์ไม่อยากปฏิบัติไม่อยากนั่งสมาธิใจเริ่มรวนเลไม่มีกำลังใจเพราะเราผิดศีลห้าไปแล้วอย่างนี้เรียกจิตตกไหมครับถ้าจิตทุกข์ก็ถือว่าจิตตก ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ามันเป็นอดีตไปแล้วมันผ่านไปแล้วก็เอามันมาเป็นบทเรียนก็แล้วกันว่าเราต้องระมัดระวังเวลาที่เราออกจากสมาธิมาแล้วนี้เราต้องมีความจดจ่ออยู่กับความคิดของเราถ้ากำลังคิดไปในทางที่ไม่ดีก็ใช้สติหรือปัญญาหยุดมันใช้สติก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้มันคิดในเรื่องที่ไม่ดีพอเราพุโทโธพุโทโธหยุดปั๊บเดียว ความอยากจะทำสิ่งที่ไม่ดีก็จะหายไปหรือว่าจะใช้ปัญญาก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปทำทำแล้วจะเกิดทุกข์ขึ้นมาเกิดความเสียหายขึ้นมาแล้วจะมาเสียใจในภายหลังถ้าเราหยุดไม่ทำได้มันก็จะไม่มีความเสียหายตามมามันก็ต้องต่อสู้กันมันเรื่องของความคิดที่เคยคิดในทางที่ไม่ดีมันก็จะติดเป็นนิสัยแล้วก็ต้องฝืนมันเท่านั้นเอง ฝืนบ่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปเองถ้าไม่ฝืนมันก็จะพาเราไปเรื่อยๆมันชวนให้เราไปทำไม่ดีคราวนี้เดี๋ยวคราวหน้ามันก็กลับมาชวนใหม่แต่ถ้าเรามันชวนเราคราวนี้เราไม่ไปคราวหน้ามันก็อาจจะไม่มาก็ได้มาแล้วมาชวนก็ไม่ไปอยู่ดีดังนั้นต้องฝืนฝืนความคิดที่ไม่ดีคำถามเจ้าคุณพิชาพันธ์นะครับ เจริญในอิทธิบาทสี่มีประโยชน์งดงามเช่นใดเจ้าคะส่วนตัวยังสนใจความสามารถพิเศษของครูบาอาจารย์ที่อยู่ในปา่ามันเกี่ยวกันยังไงนก็ครูบาอาจารย์ที่อยู่ในป่าเขาก็มีอิทธิบาทสี่เขาถึงไิ่อยู่ในป่าได้อิทธิบาทสี่ก็คือความยินดีในธรรมยินดีที่อยู่ในปา่าแล้วก็พอมีความยินดีอยู่ในปา่าก็จะมีความขยันที่จะปฏิบัติ อยู่ปาก็เพื่อไปปฏิบัติธรรมมีความเพียรใจก็จะจดจ่ออยู่การปฏิบัติคิดอยู่กับเรื่องการปฏิบัติเรียกว่ามีอิทธิบาทสกครูบาอาจารย์ที่อยู่ในปา่าทุกรูปนี้ท่านมีอิทธิบาทสี่กันทั้งท่านถึงเป็นผู้ที่มีมีมีความสำเร็จในการปฏิบัติถ้าไม่มีอิทธิบาทสนี้จะไม่สามารถที่จะบรรลุ ถ, ถึงผลที่เราต้องการได้ คำถามจากคุณมดงานนะครับวันก่อนฟังพระอาจารย์เทศสอนเรื่องสังโยชน์ที่เป็นโจทย์ของคนปฏิบัติธรรมลูกขอรบ ก, กวนพระอาจารย์อธิบายการละสังโยชน์นี้ค่ะ <c oughs> ก็เมื่อกี้ก็เพื่อเทศประโยชยกว่าสักกายทิฏฐิก็คือความเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเป็นความหลงไม่ใช่เป็นความจริงเหมือนกับไปคิดว่าลูกของคนอื่นเป็นลูกของเราเอางเช่น สมายนี้บางทีไปคลอดลูกแล้วก็สลับลูกกันมาใช่ไหมเอาลูกของคนอื่นมาให้เราพอเอามาแล้วเราก็เลี้ยงมันเราก็คิดมันเป็นลูกเราแล้วอีกไม่นานเขาส่งจดหมายมาบอกว่า เ, าเด็กที่เอามาให้นะั้นไม่ใช่เป็นลูกของคุณนะแต่เรารักมันคิดว่าเป็นของเราแล้วเนี่ยเราจะคืนเข้าไปได้ไหมไปแรกเอารูกของของเรามาได้หรือเปล่า อันนี้ก็แบบเดียวกันเนี่ยเราตั้งแต่เกิดมาได้ร่างกายนี้มาเขาก็บอกว่าเป็นของเราแล้ววันดีเกนดีมาเจอพระพุทธเจ้าพระุทธเจ้าบอกไอ้ร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราคุณสละมันไปได้หรือเปล่าถ้าคุณไปยึดไปติดคุณจะทุกข์กับมันเพราะเดี๋ยวมันจะต้องแก่มันจะต้องเจ็บมันจะต้องตายแต่ถ้าคุณเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วตัดใจอ้ามันไม่ใช่ตัวกูของกูไปเลยมันจะแก่ก็ปล่อยมันแก่มันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บ เหมือนกับร่างกายของคนอื่นเราเดือดร้อนไหมร่างกายคนอื่นเขาจะแก่จะเจ็บจะตายเราเฉยเฉใช่ไหม mm hmm. ก็เหมือนกันน่ยก็ไอ้ร่างกายนี้มันก็ไม่ใช่ของเราเราก็ต้องเฉยเฉยเหมือนกับร่างกายของคนอื่นเ mm hmm. นี่ยคือคําว่าสังโยชน์สักกายะทิฏฐิ mm hmm. เราไปหลงคิดว่าเป็นของเราเป็นตัวเราเราก็เลยทุกข์กับมันเวลาที่จะต้องเสียมันไปเท่านั้นเองถ้าเรารู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเราจะไม่รู้สึกทุกข์เลย ยังต้องเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วทำทำตามที่พระเจ้าบอกให้ปล่อยวางร่างกายให้ได้วิธีที่จะปล่อยวางก็คือนั่งสมาธิกันนั่งสมาธิทําใจให้สงบแล้วจะปล่อยได้จะเฉยได้อนนี้เราเฉยไม่เป็นแต่ถ้านั่งสมาธิได้แล้วใจจะเฉยแล้วเราจะบอกให้มันเฉยได้ คำถามจะทาง u t u b e นะครับแจกคุณนารึนภัทรนะครับอบัยมุกหกข้อที่บอกว่าการชอบเที่ยวการดูละเล่นคำถามคือเกี่ยวกับการแสดงดนตรีสดการฟังเพลงด้วยหรือไม่ครับก็ทุกอย่างการละเล่นก็ดูหนังฟังเพลงอะไรตานองนี้ส่วนการเที่ยวกลงคืนก็เที่ยวบาร์เที่ยวผับเที่ยว<ม>อาบอบนวดเที่ยวอะไร<ม> <laughs> คำถามจากผู้ฝากถามนะครับเวลาที่รู้สึกแย่มากๆทั้งการงานครอบครัวการเงินเหมือนคนจนตอกการสวดคาถาชินะบัญชรมีคนแนะนาให้สวดช่วยได้ไหมคะก็ช่วยทำให้ใจสงบแล้วสบายไม่ทุกข์กับเรื่องเงินทองได้แต่ไม่ได้ช่วยให้ได้เงินได้ทองมาหรอกการสวดนี้เพื่อมาแก้ปัญหาที่แท้จริงก็คือความทุกข์ใจ ใจเราทุกเพราะเราอยากจะได้เงินทองพอเราไม่ได้เราก็เลยทุกข์พอเรามาสวดชินบรรชนเราก็ลืมเรื่องเงินทองเลิกก็เลยไม่ได้ไปอยากได้เงินทองมันก็เลยหายทุกข์นี่อันนี้สวดเพื่อแก้ความทุกข์ใจไม่ได้สวดเพื่อให้ได้เงินทองมาคําถามจากทาง facebook นะครับจากคุณนิรัติชาดานะครับอภัยทานหมายความว่ายังไงคะ คือสิ่งที่เขาทําอะไรที่ทําให้ไม่พอใจเราโกรธแล้วเฉยๆแบบไม่โต้อตอบแต่ไม่อยากเจอแบบว่าหลีกเลี่ยงเรียกว่าอภัยทานหรือเปล่าคะอภัยทานก็คือยกโทษให้กับเขาไม่ถือโทษโกรธเคือกเขาชนเอารถมาชนเราแล้วก็ไม่เป็นไรไปเดี๋ยวเราเอเราซ่อมเองอย่างนี้เรียกว่าอภัยทาน คำถามจากคุณนักนะครับข้อที่1สงสัยถึงการมาเกิดของมนุษย์นั้นยากแสนยากต้องมีศีลบริบูรณ์มีบุญบรารมีแล้วเหตุใดมีคนไม่ดีคิดทำชั่วมากมายโลกอยู่ไม่เป็นสุขครับคื อ, อการมาเกิดเป็นมนุษย์นี้มันต้องไปชาระบาปก่อนไงชำระ บ, บาปเรื่อไปไปรับผลบุญก่อน แล้วพอบุญกบาฎมันไม่มีกําลังที่จะดึงเราไปไปอบายหรือดึงไปสวรรค์มันก็มาเป็นมนุษย์กันที่การจะมาเกิดเป็นมนุษย์นี่มันโอกาสมันน้อยไงเพราะมนุษย์นี่บางทีคนนึงก็มีลูกแค่คนสองคนไม่เหมือนกับมาเกิดเป็นสัตว์เป็นมดเป็นแมลงนี่มันเกิดเกิดกันทีเป็นฝูงเป็นฝูงงั้นไปเกิดเป็นเดรัจฉานมันเลยง่ายกว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์ ไม่ได้บอกว่าจะต้องมีศีลถึงจะมาได้คนที่พ้นบาปมาแล้วมันก็กลับมาเกิดได้คนที่ไปเที่ยวไปรับผลบุญบทแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ข้อที่สองพกภูมิมนุษย์เท่านั้นดือครับที่จะสามารถบรรลุธรรมได้ก็เป็นภพที่เหมาะที่สุดเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์ครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนให้เราบรรลุก็เป็นมนุษย์กันแต่ก็ เป็นภพเทวดาก็มีโอกาสบรรลุได้แต่ต้องมีพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันต์ที่สามารถติดต่อกับเทวดาได้ไปสั่งสอนซึ่งโอกาสมันยากกว่าที่จะมีะครูบาอาจารย์ที่เป็นมนุษย์สั่งสอนเพราะครูบาอาจารย์บางองค์ถึงแม้ท่านจะเป็นพระอาหารหันต์แต่ท่านไม่มีความสามารถติดต่อกับเทวดาได้ท่านก็ไม่สามารถสอนพวกเทวดาได้สอนได้แต่พวกมนุษย์ การที่ได้มาเป็นมนุษย์นี้จะมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้จากครูบาอาจารย์ได้ง่ายกว่ามากกว่าที่พวกเทวดาจะมีได้พวกเทวดานี่ต้องรอให้มีพระอาหารหันต์ที่สามารถติดต่อกับเทวดาได้อย่างเช่นหลวงปู่มั่นนี่ท่านติดต่อกับเทวดาได้ท่านก็สอนเทวดาเทวดาก็จะมาฟังเทศฟังธรรมจากท่านได้หรือพระพุทธเจา้าท่านก็แสดงธรรมให้กับเทวดาได้ แต่ภาษาบกของพระพุทธเจ้านี้ส่วนใหญ่เท่าที่ได้ยินนะไม่ค่อยมีใครจะติดต่อกับเทวดาได้ก็มีบ้างบางรูปแต่ไม่ไม่มากอันนี้เป็นความสามารถพิเศษอย่างนั้นโอกาสที่จะได้ศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมจากพระอาหารหันต์จากพระพุทธเจ้านี้การจากการเป็นเทวดานี้มันน้อยกว่าจากการเป็นมนุษย์คำถามจะคุณเมที่นีนะครับ ลูกไม่ได้ไปวัดทำบุญทุกวันแต่อยากทำบุญให้ได้ทุกวันเลยใช้วิธีหยอดเงินใส่กระปุกทุกวันเท่าที่จำได้พอมีโอกาสได้ไปวัดหรือมีโอกาสได้ทำบุญก็จะนําเงินนี้ไปร่วมทำด้วยทำแบบนี้ถูกหรือไม่เจ้าคะถูกเพียงแต่ว่าเราอย่าไปยืมเงินในกระปุกนี้ก็แล้วกันนะเวลาเกิดขาดอยากจะซื้อกาแฟมาก็ขอให้ต้องถือว่าเงี้เป็นของเราเนะะมันของบุญไปแล้ว งั้นเดี๋ยวบุญมันจะหดนะเะนอกจากผลแล้วนี่จะเป็นกรรมด้วยไหมครับกรรมบาปเลยไหมครับอ๋อไม่หรอกก็ไม่ถึงนั้นถึงแต่ว่าอาจจะบาปก็ได้เพราะเราไปขโมยเงินของการทําบุญแล้วนอกจากว่าเราขอยืมก็ <c oughs> ถ้่ขอยืมยังไม่บาป <c oughs> ต้องถามต่อครับไม่งั้นเดี๋ยวคนเอออไม่บาปแล้วเอาใหญ่คำ <c oughs> <c oughs> ถามเจ้าคุณปอยเซียนนะครับ ขณะนั่งสมาธินั่งได้ประมาณ4ี่สนาทีแต่ใจไม่ได้สงบตลอดเวลามีทรงจิตออกนอกบ้างในบางครั้งขอเรียนถามว่าในการทำสมาธิถ้าจิตไม่ได้สงบตลอดที่ทำสมาธิจะได้บุญไหมครับก็ได้ไม่เต็มที่ไงก็ได้บางส่วนถ้ามันสงบได้เต็มที่มันก็จะได้เต็มที่ถ้ามันสงบไม่เต็มที่มันก็ได้แค่นั้นคับคาถามจากคุณเล็กนะครับเมื่อมีความเบื่อในการนั่งสมาธิ ลูกจะใช้อุบายมาพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าและครูบาจารย์ท่านยังมีความอดทนและท่านก็ผ่านไปได้เมื่อพิจารณาแล้วก็ตั้งสติเริ่มภาวนาพุโทโธต่อไปได้ใช่ไหมคะขอคําแนะนำไหนอ่านอีกทีได้ฟังไม่เข้าใจาเมื่อมีความเบื่อในการนั่งสมาธิจะใช้อุบายมาพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าและครูบาจารย์ท่านยังมีความอดทน และท่านก็ผ่านไปได้เมื่อพิจารณาแล้วก็ตั้งสติเริ่มภาวนาพุทโทต่อไปได้ใช่ใชไหมคะใช่บางทีพระพุทธเจ้าสอนแล้วว่าเวลาที่เราท้อแท้เบื่อหน่ายก็ให้นึกถึงพระพุทธเจ้าให้นึกถึงพระอริยรสงสาวบุรแล้วก็จะทำให้เรามีกำลังใจขึ้นมาที่เราจะดันตัวเราเองผลักดันตัวเราให้ปฏิบัติต่อไป คำถามจากคุณชลัตนะครับการเลี้ยงสัตว์เพื่อเอาไข่ไว้กินไว้ขายถือว่าบาปไหมครับก็เลี้ยงสัตว์แล้วเอาไข่ที่มีชีวิตอยู่ไปขายก็เท่ากับฆ่าฆ่าฆ่าสิ่งที่มีชีวิตนีนอกจากถ้าเป็นไข่พวกที่ไม่มีไม่มีตัวใช่ไหมพวกไข่เป็ดไข่ไก่บางอย่างนี่มันไม่มีตัวอะไอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าบาปแต่ถ้าเป็นไข่เป็ดไข่ไก่ที่มันฟักได้ก็ถือว่าทําลายชีวิต คำถามจ้าคุณปัตถมานะครับเรานิมนต์พระมาทำบุญที่บ้านในขณะที่พระสวดเราจะสวดตามพระเป็นการสมควรไหมเจ้าคะหรือว่าไม่ควรจะสวดพร้อมกับพระและถ้าสวดตามได้เราควรจะเว้น<ห>พระภาวะตุสับพระมังคลาใช่ไหมภาวะตุสัพบภาวะตุสับก็ <_ V> ตอนให้พอไงไม่หรอกเวลาพระมาสวดเรามีหน้าที่ฟัง <_ V> เราตั้งใจจดจ่อฟังเหมือนเราฟังเทศก็อย่างนี้นคำสวดของพระนี่ก็เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ฟังไปเหมือนเราฟังเทศเท่านั้นเองเราไม่ต้องไปสวดถ้าเราอยากจะสวดเราลอยห้ากลับบาบก่อนแล้ว เ, เราไปนั่งสวดของเราคนเดียวนี่คำถามเจ้าคุณทิพวรรณนะครับการดื่มสุราแม้เพียงเล็กน้อยนิดเพื่อเป็นการเข้าสังคม หรือดื่มตามธรรมเนียมของชาวต่างชาติถือว่าผิดศีลก็ห้างไหมครับผิดผิดถ่าเดือดมันก็ผิดไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรทั้งนั้นเน่ยผิดมากผิดน้อยะกินดื่มมากก็ผิดมากดื่มน้อยก็ผิดก็ผิดน้อยมีกี่ข้อก็เริ่มเริ่มหมดแล้วครับหรือพอเท่านี้ก็ได้ครับอาจารย์เยอะไหก็อ๋แค่ข้อสองข้อก็ได้ไดจะได้ครับยาโยมเขาอาจจะอยากจะกลับบ้านกันอยู่เนี่ย แล้ว ร, ร, ระหว่างข้อสองข้อนี้ตอนนี้ช่วงนี้ครับอาจารย์ผมนอกจากทํางานทําแล้วครับมันก็มีงานอต้องดูแลพ่อแม่เหมือนกันว่าเราก็พยายามทําสร้างความกตัญญูเต็มที่โดยไม่อยากบกพร่องรวมถึงครอบครัวรวมถึงงานโรงแรมอะไรต่างๆถ้าไม่มีสติจบทุกอย่างครับพระอาจารย์เจ๋งแน่นอนด ว, วนตอนนี้แบบใช้สติมากพอใช้สติเนี่ยทุกอย่างเป็นสเต็ปหมดเลยดีหมดเลยถ้าถ้ามันมีอุปรสรรค ก็งานทางนี้ก็คุณก็ปล่อยวางบ้างก็ได้นะไม่ไม่ถึงขนาดนั้นครับอาจารย์เออมันมันเวลามันพอดีแต่เป็นแค่ว่าให้คนอดียวแต่เป็นค่ว่าบที่เป็นบางทีเราเราอยากจะทําให้มันครบครับอาจารย์เราก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็อยากจะดูแลพ่อแม่อยากจะเราต้องกระตันยูครับอาเราไปไหนเราก็ไปส่งอะไรเงี้ยแต่เราจะแบ่งเวลาได้ไหแต่เป็นแค่ว่าถ้าเกิดเราไม่มีสติจํากัดเนี่ยคือบอกว่าฟุ้งซ่านคือหมด หมดแน่นอนคือแบบแต่งานนี้ไม่มีปัญหาครับอาจารย์ต่นี้สบายดีครับก็มีคนอื่นช่วยได้ใครก็มาได้ถ้าจาเป็นจะต้องไปทำอย่างอื่นก็ไปเถิดไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะครับทางนี้พักบ้างก็ได้ไม่ถ่ทอดบ้างก็ได้คำถามจะคุณแอมนะครับนั่งสมาธิอาจจะฟุ้งซ่านบ่อยค่ะสู้ลบนาน แต่ทําไมนั่งฟังธรรมพร้อมนั่งสมาธิทําไมจิตจึงนิ่งสงบเพราะว่าเรามีธรรมะหล่อเลี้ยงใจเราโดยที่เราไม่ต้องผลิตขึ้นมาเองเวลานั่งสมาธิเองนี้เราต้องพุโทโธเองต้องดูลมเองมันก็เลยเหนื่อยแต่เวลานั่งนี่เานั่งฟังเฉยเฉยมันก็เลยไม่เหนื่อยมันก็ทําการนั่งฟังนี้ก็ทําให้ใจสงบได้เหมือนกับการนั่งดูลมแล้วนั่งนั่งพุโทโธพุธโทโธไป ยิ่งถ้าเรายังไม่มีกําลังที่จะพุทโธเองหรือดูลมเองเราก็ใช้การฟังเทศฟังธรรมเป็นตัวสร้างกําลังขึ้นมาก่อนพอเรานั่งฟังแล้วเราจะมีสติมากขึ้นใจเราจะสงบแล้วต่อไปเราไม่ต้องฟังเทศก็ได้เพราะว่าบางทีมันก็การนั่งโดยไม่ฟังเทศนี่มันจะสงบมากกว่าถ้าดูลมเฉยเฉยนี่มันจะเข้าไปลึ็กว่า พอเวลาเราฟังเทศนี่มันก็ยังมีเสียงที่เราติดอยู่กับเสียงมันก็จะเข้าไปไม่ลึกแต่มันก็สงบในระดับหนึ่งถ้าอยากจะให้มันสงบแบบเต็มที่ไปถึงก้นบึง้งก้นบ่อนี้ก็ต้องดูลมอย่างเดียวหรือพุโทโธไปอย่างเดียวแต่ถ้าเรายังไม่มีกำลังก็ใช้การฟังเทศฟังธรรมไปก่อนขอสองข้อนะครับจกคุณะวิวันนะครับถ้าเราไม่ชอบภาวนาแต่ชอบฟังธรรม เราจะหลุดพ้นได้ไหมครัก็ไม่แน่คนที่สมัยก่อนฟังเทศฟังธรรมก็หลุดพ้นได้เแต่ว่าเรามีกําลังจะทําตามที่พระเจ้าบอกหรือไม่เช่นบอกว่าให้ปล่อยวางความแก่ความเจ็บความตายถ้าเรามีกําลังปล่อยได้เราก็หลุดพ้นได้คําถามข้อสุดท้ายจากคุณสุรชัยนะครับตอนนี้ผมได้สวดมนต์ติดต่อกันรู้สึกมีพลังใจในการสวดเรื่อยๆครับ แต่ขั้นตอนต่อไปคือสมาธิผมจะเริ่มสักกี่นาทีครับในการนั่งสมาธิก็เวลาเราสวดไปแล้วเราส้สกอยากจะหยุดสวดล้วก็นั่งดูลมต่อไปเลยนั่งได้นานเท่าไหร่ก็อย่าไปกำหนดเวลานั่งไปจนกว่ามันจะนั่งไม่ไหวก็ค่อยเลิกหมดแล้วนะหมดครับอาจารย์โอเคทางนี้มีครยายนก่ะถามอีกไหม ถ้าไม่มีก็จะปล่อยให้กลับบ้านได้แล้วน ะ, <c oughs> ะก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาปไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ